วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่เก้ากันยายนพุทธศักราชสองพนห้าร้อสามสิบปดนับเป็นครั้งที่ห้าของการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระพิธรรมในหัวข้อเรื่องปริญญาปัญญาวันนี้ได้เวลานสมควรแล้วใครขอกราบเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัต t าได้บรรยายในหัวข้อดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วขอกราบเรียนเชิญอาจารย์ค่ะ พระคุณชาวท่านสาธุชนที่เขารบทั้งหลายคราวที่แล้วผมได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของยาตาปริญญามาสะดุดครั้งอยู่ในระหว่างประเด็นที่ได้ขึ้นหัวประเด็นที่สามนะว่าทิศทางแห่งการกำหนดรู้ค า, าบเกี่ยวมาถึงประเด็นที่สี่คือบัญญัติธรรมคือสิ่งที่แต่งตั้ง ที่ได้กล่าวถึงในส่วนนี้ก็พยายามจะพูดให้เห็นว่าอทิศทางของการกําหนดอารมณ์ของกรรมฐานหรือนามรูปที่เป็นมุกเนี่ยเวลาเราพูดว่าทําวิปัสสนานั้นต้องกําหนดนามรูปอันนั้นก็เป็นการพูดอย่างชนิดที่เอาความมุ่งหมายของการกําหนดให้ถึงให้ได้มาเป็นเครื่องพูดกันแต่ว่าใน ความกระทําจริงๆเนี่ยอันนั้นเป็นอันหนึ่งแล้วก็โดยมุกหรือโดยบับของนามรูปที่พระพุทธเจ้าโดยทรงแสดงนั้นก็จะพบว่าเราทําในเรื่องของการกําหนดนามรูปนั้นบางทีก็กําหนดไม่ถูกนามถูกรูปและคำว่าถูกนามถูกรูปนั้นหมายถึงกําหนดถูกลักษณะของสภาวะธรรมเรียกว่ากําหนดถูกนามถูกรูป เราพูดว่ากําหนดนามกาหนดรูปแต่ว่าเวลาทําจริงแล้วไม่ถูกนามถูกรูปหรือในทางเทศนานั้นพระบุทธเจ้าได้ทรงเทศนาบางครั้งก็ทรงตั้งนามรูปในรูปของการเทศนาโดยความเป็นบัญญตัติคือไม่ได้ตั้งปรมัตดเสมอไปบางบับก็ตั้งปรมัตดให้กําหนดเลยอย่างเช่นจิตตานุปัสนาเป็นต้นเนี่ยได้ทรงตั้งปรมัตดเป็นมุกให้กําหนด แต่เวลาปฏิบัติบางทีก็ไม่ถูกนามถูกรูปคือไม่ถูกจิตจริงๆไปถูกสิ่ ง, งที่เป็นสมมุติส่วนที่ทรงตั้งเป็นบัญญัติขึ้นก็ไม่ได้ทรงปราสนาจะให้กำหนดให้เห็นเป็นบัญญัติแต่ให้กำหนดเจาะเข้าไปถึงลักษณะของนามรูปซึ่งเป็นความมุ่งหมายในทางปฏิบัติก็ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเวลาทำแล้วก็เกิดลักษณะของการเรียกว่าไปคนละทิศคนละทางหือทิศ ท, ทางที่ถูกบังผิดบาง ในคราวหน้าเนี่ยผมจะลองประมวลเอาเนื้อความที่เป็นพระสูตรจริงๆเป็นพุทธพจน์มาให้ฟังสักครั้งหนึ่งนะฮะจะพยายามประมวลให้ครบถ้วนมากที่สุดและอธิบายอย่างสั้นๆที่สุดเนี่ยว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงและสอนโดยนัยะของการปฏิบัติเนี่ยบางทีมีความหลากหลายมีความมุ่งหมายอยู่ในนั้นที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาใ ห, ให้แจ่มแจ้ง ยกตัวอย่างเช่นในบับของการกำหนดอายตนะเนี่ยก็บางทีก็ไม่ได้สอนให้กำหนดว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอายตนะภายในแล้วก็คู่กับอายตนะภายนอกบางทีก็เหลือสี่อย่างที่ว่าอย่างที่สอนกับพระพาหิยะกำหนดเหลือสี่คือไม่ต้องกำหนดหกแล ะ, ะในการกำหนดอายตนะเนี่ยบางทีก็กำหนดแค่สิบสองบางทีก็กำหนด ก็เลยไปถึงสภาวธรรมมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปเป็นอนเนกแล้วแต่บางคนนะฮะบางคนถ้าแสดงมากไปก็มันฟั่นเฟือกำหนดไม่ไหวจึงแสดงแต่โดยย่อบางคนก็แสดงแต่พอปานกลางย่อไปก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนอย่างที่เรามีปัญหากับทฤษฎีเรื่องวิปัสนาเนี่ยคืออ่านแล้วหมายความว่าอ่านในพระไตรปิฎกแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไร เพราะค่อนข้างจะเป็นหลักที่ห้วนเกินไปต้องแสดงพิสดาร น, นะ mm hmm. เพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในทฤษฎีขั้นพระตรปิดกถ้าเรามีโอกาสประมวลถ้าหากว่าจะชวนให้ท่านนึกไปถึงเรื่องของอธรรมานุปัสสนานะฮ ะ, ะธรรมานุปัสสนในสติปัฏฐานสูตรผมเชื่อว่าหลายท่านจะได้เคยอ่านเคยผ่านมาแล้ว มีอายตนะมีอริยสัจสีเนี่ยในสติปัฏฐานสูตรเกือบจะไม่ได้บอกวิธีปฏิบัติเอาไว้เลยนะครับในบางเรื่องอย่างเช่นว่าในขันธ์หน้าก็บอกว่าอิติรู ป, ปังภิกษุพึงกําหนดรู้ว่านี่รูปอิติเวทนาพึงกําหนดรู้ว่านี่คือเวทนาเราก็ไม่รู้รู้อย่างไรทำอย่างไงนะะฉะนั้นรายละเอียดเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่น อยู่ที่อื่นบางที่ก็ไปอยู่ในที่เดียวกันเกือบจะเป็นพระไติปดกทั้งเล่มซึ่งถ้าหากว่าเราศึกษาอย่างใจเย็นๆแล้วก็อย่างใจถึงอย่างเป็นกลางพอเนี่ยคำว่าเป็นกลางหมายความว่าเราไม่ลากเข้าไปหาหลักปฏิบัติที่เราทำอยู่หรือที่เราสอนอยู่หรือที่เราชอบอยู่เราก็จะครบมิติต่างๆค่อนข้างจะครบถ้วนนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่อาจที่จะนาเอามาพูดให้ฟังกัน แค่สิบสองครั้งได้หมดจึงเป็นเรื่องที่ต้องค่อยๆศึกษาไปก็ต้องใจเ ย, ย็นๆแล้วถ้าเราใจถึงพอก็สามารถที่จะเข้าใจสิงเหล่านี้ได้ชัดเจนโดยแน่นอนอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าการกําหนดจากจะไม่อธิบายเป็นข้อๆแต่อธิบายแล้วก็ให้ท่านนึกสงเคราะห์ตามข้อบอบเราได้อ่านอะไรกันมาแล้วนะฮะอธิบายมาบ้างแล้วอย่างในการกําหนดอาณาปานาสติ กำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยตัวบับหรือตัวมุก ค, คืออานาปานะ น, นั้นอ่ะเป็นวิเชมานะบัญญัตะะิคือเป็นมุกที่ทรงแสดงโดยความเป็นบัญญัติไม่ได้แสดงโดยความเป็นปรมัติถ้าแสดงเป็นปรมัติก็หมายว่ามุกที่ทรงตั้งว่าจิตตานุปัสสนานี่แสดงโดยเป็นปรมัดเวทนานุปัสสนานั้นเป็นปรมาตินี่โดยการเทศนาโดยปฏิบัตินั้นเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อ อการที่ทรงแสดงว่าอ่าอิริยาบถนี่ก็เป็นมุกที่เป็นบัญญัติไม่ใช่เป็นปรมัติเวลากําหนดเนี่ยต้องต้องกำหนดให้ให้เป็นให้ถูกไม่งั้นแล้วก็ผิดได้ง่ายมากกําหนดลมหายใจเข้าออกเหมือนกันถ้าถามว่าลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันเป็นปรมัติหรือเป็นบัญญัติแล้วก็ตอบเป็นบัญญัติทําไมถึงว่าเป็นบัญญัติเพราะว่าลมเนี่ยมันไม่เมีย ในรูปยี่สิบแปดนั้นไม่มีอาณาปานะรูปมันมีวาโยเหมือนกันแต่วาโยมันไม่ใช่ไม่ออกมาเป็นรูปของลมอะไรมันมีลักษณะเคร่งตึงเท่านั้นนะคือวายโยธาอันนั้นเป็นประมัิแต่ว่าลมหกอย่างลมในตัวเราพัดขึ้นเบื้องบ น, บนลงเบื้องต่ำลมหายใจเข้าให้ไใจออกเนี่ยถือว่าเป็นสมมติที่เป็นสมมติก็เพราะว่ามันไม่มีสภาวะเป็น ของตัวมันเองนะฮะคือมันเกิดขึ้นมาจากไอ้กองลูมีทั้งดินมีทั้งน้ำมีทั้งไฟแล้วก็มีทั้งธาตุลมมีทั้งรูกอื่นๆป น, นอยู่ในนั้นแต่ทรงแสดงว่าให้กำหนดลมเนี่ยไม่ใช่ให้รู้กองลมอย่างรวมๆแต่ให้แตกกองลมให้ได้และให้รู้สิ่งที่เป็นองค์ประกอบองกองลมให้ไดเ้เรื่องนี้นะมีที่แสดงมากผมจะยกตัวอย่าง ให้ฟังเป็นลักษณะบากเปล่านิดๆหน่นอยๆ อ, อย่างเช่นในอานาปานาคาถาที่พระสัลยิบุตรแสดงเนี่ยได้ประมวลเอาหลักเรื่องนี้ไปแสดงอย่างถี่ยิบที่สุดเพราะว่าท่านไม่แสดงในลักษณะผูกพันกสูตรใดสูตรหนึ่งท่านก็แสดงทั้งโดยนัยยะของการทําอย่างเป็นสมถะคือกําหนดลมอย่างเป็นสมถะเนี่ยก็อย่างในวิสุทธิมักพูดกําหนดลมลมที่เอามาตั้งกําหนดให้ใจเข้าให้ใจออกนี่เรียกวเป็นานาปานาบัญญัต เป็นบัญญัติชั้นเรียกว่าเป็นชั้นธรรมดาที่มันมีบรลามัดอยู่ติดกันเรากําหนดเจาะลึกลงไปก็ไปถึงบาลามาัดกําหนดถอยออกมาห่างออกมาก็จะเป็นบัญญัติฝ่ายอาวิชมานะบัญญัติเลยเช่นกําหนดแล้วเห็นนิมิตเห็นลมเป็นนิมิตต่างๆนิมิตที่เกิดขึ้นจากลมหายใจเขาออกนะมีเป็นอเนก สารพัดเลยเรากําหนดลมเห็นเป็นยยงก็ดีเป็นเกล็ดเป็นฝอยอะไรก็ดีเป็นสมมุติและการทําเป็นสมมุติอย่างนี้นะ่ะมันดีกับการทําสมาธิเพราะยิ่งนิมิตพิสดารสมาธิกะแนบแน่นไม่เป็นเรื่องผิดในสายสมาธิแต่ถ้าคนจะทําวิปัสสนาแล้วไปหลงกระเจองกระเจิงกับนิมิตเนี่ยผิด ผิดเพราะอะไรเพราะสมาธิเนี่ยเขาทําเอาความนิ่งอารมณ์เป็นยังไงก็ช่างมันจะผิดจากความเป็นประมัทอย่างไรไม่สําคัญขอให้นิ่งเป็นใช้ได้แล้วมันก็ปรากฏว่ายิ่งอารมณ์เป็นบัญญัติมากเท่าไรสมาธิยิ่งดีเท่านั้นเลยกลายเป็นของดีนงแน่นั้นแต่คนทําวิปัสสนานั้นเขามุ่งที่จะไปทําความรู้จริงในตัวอารมณ์ด้วยปัญญาอย่างวิปัสสนาจึงจะเกิด ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปหลงเล่นกับอารมณ์สมมติที่มันกระเจิงไปกันใหญ่เนี่ยเท่ากับเราไปเล่นกับเงาเงาของนามรูป ก, ก็ยิ่งไปกันใหญ่ความเข้าใจในลําดับในลมที่มันออกไปเป็ น, นมีดต่างๆเนี่ยก็กลายเป็นของโมฆะใช้ไม่ได้เราคิดเราปรุงแต่งเอาผิดหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้น เราก็ชักกลับมาอย่างการกําหนดเป็นวิปัสนาถามว่ากําหนดเป็นวิปัสนากําหนดยังไงพระสารีิบุตรเนี่ยกําวางลําดับขั้นตอนของการกําหนดลมไปถึงเจ็ดสิบสองยานนะที่ว่าเป็นเจ็ดสิสองยนนี่หมายความว่าไอ้ลมเนี่ยมันมีแง่มุมให้กําหนดรู้เป็นเจ็ดสิบสองอย่างรู้อย่างหนึ่งเรียกเป็นญาณหนึ่งรู้อย่างหนึ่งเรียกเป็นยาณหนึ่งรวมแล้วเจ็ดสิบสองยาน ก็คือการที่เรากําหนดลมสมมุติว่าเรากําหนดลมหายใจเขาออกแล้วนึกเห็นเป็นกองลมยิ่งนานก็เห็นเป็นนิมิตต่างๆอย่างนี้จากวิชมานะบัญญัติไปเป็นอวิชมานะบัญญัตินะแต่ถ้าเรากําหนดกองลมแล้วก็พยายามจับสภาวะในลมอันนี้เรียกว่าทิ้งวิชมานะบัญญัติไปสู่ความเป็นบารมี คือกำหนดแรงสัมผัสของลมที่กระทบที่จมูกเอาง่ายๆอย่างนี้ที่กระทบที่จมูกหรือลมหายใจที่เข้าไปแล้วไปทำให้เกิดปฏิกิริยาภายในสรีละทั้งหมดเรียกว่าเป็นของจริงเป็นธาตุดินบ้างธาตุไฟบ้างธาตุลมบ้างอยู่ในกองลมนั้นไอลมสมมติเนี่ยเราเรียกว่าเป็นลม แต่ปรมาติมันมีทั้งดินทั้งไฟทั้งน้ำทั้งลมอ ย, ยนะู่นั้นแล้วก็มีจิตที่เข้าไปสั่งสั่งให้ใหายใจเข้าหาย ใ, ใจออกใจนะจิตเป็นของจริงไม่จริงแล้วก็จิตกับความยิ่งหย่อนของดินน้ำไฟลมที่เราหายใจเข้าหายใจออกนี่มันเกี่ยวกันไม่เกี่ยวบางครั้งเนี่ยาหายใจแรงเพราะจิตอยากบางครั้งหายใจเบาเพราะจิตละเอียด บางครั้งธาตุไฟแรงเพราะจิตเป็นอย่างหนึ่งบางครั้งธาตุดินแรงเพราะจิตเป็นอย่างหนึ่งมันก็จะเป็นความจริงที่ค่อยๆสําแดงตัวออกมาฟองปัญญาคือทําให้ปรากฏในปัญญาไม่ใช่ใครทำนะครับความจริงมันก็เป็นเพรามันอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่ได้รู้ไม่ได้ดูด้วยปัญญาก็ไม่เห็นเมื่อไปดูด้วยปัญญาก็เห็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นท่านเพิ่งบอกว่าเมื่อนี่ท่านภาษาลีบุตรพูดเมื่อบุคคลหายใจเข้าสั้นเห็นลมหายใจเข้าสั้นนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นโดยความเป็นทุกข์บ้างเห็นโดยความเป็นอนัตตาบ้างนี่ท่านพูดไว้ตั้งจุดวิปัสสนาเห็นความเปลี่ยนแปลงของลมที่หายใจเข้าสั้นและหายใจออก ก็กำหนดเห็นโดยความเป็นปัไตรหหลักหายใจที่เราได้คุ้นเคยว่าหายใจเข้ายาวเข้าสั้นหายใจออกยาวหายใจออกสั้นอย่างนี้นะฮปัตราหลักมีอยู่ทั้งนั้นแต่คำว่าลมหายใจเข้ายาวสั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นลมสมมุติอย่างที่ท่านพูดเนี่ยน ะ, ะแต่ก็พูดอย่างสมมติแต่สภาวะที่เห็นเนี่ยหมายก็ว่าเห็นสภาวะ ที่ปรากฏอยู่ในกองลมที่กล่าวโดยสมมุตินั้นโดยความเป็นภัตไทรลักอย่างนี้ก็แจ้งไว้หมดเลยตั้ง72ขั้น72จุดนะ72จุดถึงการกำหนดเทียนอันนี้ผมผมก็พูดให้ฟังเป็นเล่าๆเป็นเชิงหลักฐานอย่างนี้ว่ากำหนดลมนั้นมันเป็นวิชมานะบัญญตัติดึงผิดกลายเป็นอวิชมานะบัญญตัติเป็นสมถะ และถ้าใครมุ่งหมายทําวิปัสนาและยังไปหลงกับอวิชชามาด้บัญญัติถือว่าทําวิปัสนาผิดนะไม่ถูกต้องดึงมาเป็นปรมัตเป็นนามรูปจึงจะเป็นวิปัสนาถูกอันนี้ก็ก็ยืนยันไว้อย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นไอท้ที่ว่ามาถึงตรงเนี้ยก็จะเป็นข้อสังวรีกเราว่าเวลาเราทําเนี่ยถ้าเรากําหนด ยืนเดินนั่งนอนหรืออียาบทใหญ่บทย่อยเรากําหนดถ้ากําหนดเห็นขากําหนดไปกําหนดมาขาเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นวิวัฒนาไหมไม่เป็นเพราะไอ้ก้อนแท่งนั้นมันกลายเป็นสมมุติไปแล้วเช่นว่าทีแรกก็กำหนดเห็นเป็นขาธรรมดาเหยียดธรรมดาย่างธรรมดาแต่กําหนดไปแล้วกลายเป็นขาไม้เป็นขาตุ๊กตา เป็นขายนต์เป็นก้อนเป็นแท่งอย่างนี้เรียกว่าเป็นอวิชมาลบัญญัติผิดแต่ว่าถ้ากาหนดอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนแล้วก็เห็นสภาวะธรรมคือดินน้ําไฟลมจิตที่ก็ไปเกี่ยวข้องกิเลสที่ก็ไปเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นลึกลงไปลึกลงไปจนขาไม่มีอันนั้นก็เป็นปรมาภิปรมาภิที่เห็นอย่างนี้นะ่ะ เป็นความมุ่งหมายของพิปัตินากรรมฐานนี่นี่เป็นเป็นกรณีหนึ่งแล้วก็แม้แต่กรณีกาหนดอารมณ์ที่ท่านยกไว้โดยความเป็นประมาทในในชั้นมุกเนี่ยอย่างเช่นกาหนดจิตกาหนดเวทนาอันนี้ก็อย่านึกว่าท่านแสดงโดยความเป็นประมาทไว้ในมุกแล้วคนทำจะทำเป็นประมาทเสมอไป คือทำๆทแล้วมันเป็น <c oughs> มันทิ้งบัญญัติไม่พ้นทิ้งบัญญัติไม่พ้นอย่างที่พูดมาแล้วนะวันนี้อาจจะอธิบายตัวนี้ลงไปเยอะหน่อยในประเด็นที่พูดถึงภูมิของปริญญาข้อนี้แต่ก็จะพูดตัวนี้นิดนึงว่าความจริงไอ้เรื่องจิตเนี่ยเราก็รู้ว่าเรามีจิตนะฮะรู้หมายว่ามันอยู่ในประสบการณ์รู้อย่างชั้นที่เรารู้ ว่าเวลาเราโกรธจิตโกรดมีเวลาเราเห็นจิตเห็นมีความรู้สึกสุขทุกเนี่ยเราก็รู้ว่ามันมีมันมีมีอยู่ในความเข้าใจของเรานะแต่ว่าความเข้าใจของเราที่มีความรู้สึกว่าความจำมีสัญญาขันความคิดปรุงแต่งอย่างโน้นอย่างนี้มีวิญญาณขันคือความรับรู้อารมณ์ต่างๆมีความรู้ของเราเนี่ยมันไม่ มันไม่พ้นบัญญัติเพราะอะไรเพราะว่าเราเอาเอาอะไรเข้าไปใส่เอาตัวตนเข้าไปใส่กับไอความรู้สึกเหล่านี้ตัวตนที่เอาเข้าไปใส่นามรูปนี่แหละเรียกว่าเป็นบัญญัติที่ไปใส่ปรมาตินี้ถ้าสมมุติว่าอย่างที่เรา อยู่ในวงการคนปฏิบัติแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นหรือไปฟังเขาสอบอารมณ์กันบ้างอะไรกันบ้างเนี่ยนะเราก็แอบบๆเรียกว่ากําหนดรู้กาหนดวิปัสนาของคนคนนั้นว่าทำกันยังไงเป็นยังไงอย่างเช่นว่าบางคนบอกว่ากำหนดผัสสะแล้วเห็นเป็นดวงดวงอย่างนี้เราฟังแล้วเรารู้ว่าผิดแล้ว ผิดแล้วเพราะมันกลายเป็นรูปประพันธ์สันธานเป็นบัญญัติไปแล้วหรือว่าบางคนเนี่ยกําหนดเวทนาอย่างบางวิธไีไอ้หลักเขาไม่ผิดแล้วนะฮะเขาอธิบายเขาชัดเจนแต่ผิดที่คนกําหนดเวทนาแล้วไปเห็นเวทนาแล้วกําหนดไล่ไปไล่มาเวทนาของตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นเปลวหมอกเป็นเปลวหมอกที่วิ่งขึ้นวิ่งลงตามทิศทางที่ตัวกําหนดกําหนดเวียนมันก็วิ่งเวียน กำหนดขึ้นมันก็ขึ้นกำหนดลงมันก็ลงทำไปทำมาในเวทนามันยิ่งสำแดงตัวเป็นเป็นรูปประพันธ์สันฐานอย่างนี้ผิดและถ้าสมมติเราทำวิธีนี้เราก็ต้องเราดูเลยฮะว่ามันอ้อถ้าอย่างนี้ผิดใจมันคอยจะแวะไปทางด้านนั้นคือดูแล้วมันเกิดเบลอเป็นภาพไม่ใช่แล้วในที่สุดเราจะทิ้งสภาวะธรรมไปหลงติดกับ สิ่งที่เป็นสมมุติที่ใจเราสร้างขึ้นหรือหลุดออกไปนอกทางอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านกระจายท่านถึงพยายามจะบอกบอกเราให้กีดกันการมัธยการให้เราเนี่ยออกจากสิ่งเหล่านี้อย่าให้ไปผูกพันกับสิ่งเหล่านั้นในลักษณะที่ไม่ถูกต้องหรือบางคนเห็นกําหนดเหยียบไปอย่างงไปเนี้ย หรืว่าเราเดินจงกลมนานๆเวลายกแล้วย่างเท้าไปมันมีอาการร้อนพอร้อนนล้เนี่ยมีความรู้สึกเห็นในความรู้สึกว่าร้อนเป็นเป็นเปลเวเลยเป็นเปลเวเหมือนไฟไฟลุกท่วมขาไฟลุกท่วมขาร้อนเห็นเป็นเปลเอวอย่างนี้ผิดผิดแน่ๆเพราะเปลเวไฟเนี่ย ถึงจะเรียกว่าไฟแต่ไฟอย่างนั้นเป็นสมมุติเตโชไม่ใช่สภาวะประมัตาจึงไม่ใช่ง่ายนักแต่ก็ไม่ยากที่จะเข้าใจด้วยแล้วก็ไม่ยากที่จะปฏิบัติด้วยอทําไมการไปตามกําหนดสิ่งที่เป็นภาพสมมุติเหล่านี้จึงใช้ไม่ได้ถ้าถามว่าถ้าจะตั้งปัญหาถามอย่างนั้นแล้วถ้าจะ นึกแย้งว่าก็พระพุทธเจ้าได้ทรงโปรดคนหลายคนด้วยสิ่งที่เป็นสมุดไม่เหรือแล้วก็ผู้บรรลุธรรมหลายคนก็บรรลุกับสิ่งที่เป็นสมุดไม่เหรือเช่นทรงโปรดพระนางเขามากับพระเจ้าหญิงรูปนันธาที่มีพระรูปรโฉมสวยงามทั้งคู่แล้วก็มีมานะกับความสวยงามของตัวเองด้วยกันทั้งคู่พระพุทธเจ้าทรงใช้วิธีเดียวกัน ก็ไม่ได้ไปเชื้อเชิญนางฟ้าลงมาจริงๆแต่ทรงนิมิตภาพนางงามขึ้นสวยงามมากกว่าเจ้าอสองคนนั้นเป็นอันมากแล้วก็ค่อยมามาโบนในบาทพระพุทธเจ้าอยู่ในที่ใกล้แล้วก็ค่อยๆแก่ค่อยๆชะลาจนกระทั่งขาดใจตายขึ้นอื่นน้ำเลือดน้ำหนองไหลไปในที่ตรงนั้นให้สองคนนั้นเห็นแต่ว่าต่างการเวลากัน ก็เห็นแล้วก็เกิดความสลดใจเป็นสมุดไหมฮะเป็นสมมุติแล้วสมมุติทําไมถึงมีผลตอนนั้นคือไ ม, ไม่ได้บรรลุธรรมตอนนั้นหรอกสองลายเนี่ยก็เพียงแต่เกิดความสลดสังเวชขึ้นในภาพที่เห็นแล้วก็นึกน้องเข้ามาสู่ตัวนี่มันเริ่มเข้ามาเป็นประมตัตดตรงนี้อนึกน้องเข้ามาสู่ตัวว่าอีกหน่อยก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็เลยลดมาณทิฏฐิไปได้ระดับหนึ่งในที่สุดก็ขอบวช แล้วก็ได้ไปปฏิบัติกรรมฐานที่เป็นวิปัสนาจริงๆบรรลุธรรมภายหลังนะฮะอันนี้ก็กรณีหนึ่งหรือที่เราเคยเอ่ยถึงกรณีของพระไปเห็นเปลวไฟไหม้ป่าบ้างอ่าไปเห็นฟองน้ําในแม่น้ําบ้างเวลาฝนตกหรือไปเห็นใบไม้ร่วงบ้างเห็นใบไม้ร่วงก็ดูขึ้นไปถึงใบไม้เดียว่นตอนไม้แล้วก็เกิดคิดเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังหน้าตา ความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสมมติทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสมมติที่เป็นเชื้อนำเข้ามาสู่ประมัดภายในว่าตัวเองก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็จับสภาวะอันเป็นประมัดข้างในได้ประมัดก็เกิดขึ้นด้านในภายหลังโดยอาศัยสิ่งภายนอกเป็นแรงกระตุ้นแรงจูงใจดังน้นตรงนี้ไม่ได้ขัดกันพูดให้ฟังว่าไม่ได้ขัดกัน สาเหตุที่บัญญัติใช้ไม่ได้เนี่ยครับเพราะว่าบัญญัตินั้นไม่มีความไม่มีจริงนะแล้วก็ไม่มีความเกิดดับจริงเมื่อมันไม่มีจริงเนี่ยมันก็แปลว่าจิตเราสร้างขึ้นและคำว่าจิตสร้างขึ้นเนี่ยจะสร้างขึ้นด้วยกิเลสก็ตามหรือสร้างขึ้นด้วยกุศลลจิตนอกสายวิปัสสนาก็ตามอย่างพวกฌานนี้นะฮะ พวกสมาธิบริกรรมสมาธิอุปจารสมาธิหรือบริกรรมนิมิตปุขานิมิตปฏิภาคนิมิตเหล่านี้จิตมันสร้างขึ้นเป็นกุศลจิตก็จริงแต่ว่าไม่ใช่วิปัสนาไม่เป็นประโยชน์แก่การยังเห็นนามรูปตามความเป็นจริงอย่างที่วิปัสนาต้องประสงค์เพราะนั้นที่มีบางคน บอกว่าเห็นนามลูกแตกดับเพราะว่าในในพังคยานมีคาว่าพังคะแปล ว, ว่าแตกแล้วก็เล่าประสบการณ์ของการปฏิบัติให้ฟังว่าตัวก็ได้เห็นความแตกแล้วได้พังคยานแล้วเพราะว่ากาหนดเห็นเวลากำหนดในเห็นกระดูก แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นของตัวเองนะแตกเหมือนลูกโป่งแตกเช่นกระดูกสันหลังแต่ละข้อแต่ละข้อก็กำหนดเห็นมันแตกเหมือนลูกโป่งแตกก็ถามว่ามันแตกจริงๆหรือแตกอยู่แต่ในความเห็นของเราง่ายนิดเดียวนะมันไม่ได้แตกจริงๆแต่มันแตกในมโนภาพของเราเพราะฉะนั้นถ้ามโนภาพเราสร้างได้มันจะสร้างในแตกก็ได้ใช่ไหมนะ ท่านบอกว่าเป็นอนิจังแล้วจะกําหนดให้เห็นเป็นนิจังก็ได้ไอมโนภาพนี่มันสร้างผิดไปแล้ว ไ, ไ, ไอเรื่องกําหนดผิดผิดนี่ไม่ต้องไปทําวิปัสนามก็ต่างมันอยู่แล้วใช่ไหมต้องไปทําวิปัสนาหเห็นตามความเป็นจริงและหเห็นตามความเป็นจริงนี่เอาละถึงเราจะเชื่อว่าแตกแล้วก็ไปกําหนดเห็นแตกถ้าถ้าว่ามันแตกตามอําเภอน้ําใจเราปรารถนาจะเห็นกิเลสตัณหามาันเข้ามาโกกขุม อยากจะให้สอบผ่านยานให้ได้ยานนั้นดานนี้แล้วก็ไปเห็นการแต่แกงงูอย่างนี้ตามอําเภอน้ําใจของเราแล้วแล้วก็ก็เป็นอันผิดอีกนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าไม่ถึงกับขัดคอธรรมะมากอยากได้ธรรมะนั่นแหละแต่ว่าไปกําหนดเห็นมันผิดดึกความจงใจบัง่งโดยความเผลอเล่บัง่งแล้วก็ไปนึกเป็นจริงเป็นจังซึ่งบางทีก็ไอการไปเห็นอย่างนี้ก็เกิดความ สะเทือนใจเหมือนกันแต่ความสะเทือนใจที่มันเกิดขึ้นกับกรณีมโนภาพอย่างนี้นะมันใช้ไม่ได้มันไม่ใช่การที่จะมาตีค่าเป็นระดับของวิปัสสนาญาณใจไม่ได้นะแต่เป็นชั้นเบื้องต้นเป็นแรงบรนดาลใจชั้นต้นแล้วก็พอได้แต่ในขั้นที่จะกําหนดตามกฎเกณฑ์ของญาณเนี่ยไม่ได้จึงไม่ได้อย่างนี้ อันนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นบัญญัติไม่ใช่เป็นปรมัตา์อันนี้ผมชวนให้มาดูประเด็นที่ห้าต่อไปหน่อยครับอที่เรียกว่าปรมัตา์อันเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยนะมองประเด็นก็ข้ามไปได้ดังที่ว่าอ่าโดยจำนวนเต็มจิตแปด 5. 5. ิเก้าใจสี่ข้าสองรูปยี่ิบแปดนิพานโดยประเภทย่อก็นามกับรูปอย่างที่พูดพูดกันโดยทั่วไปอันนั้นผ่านไป นี้โดยประเภทธรรมเทศนาทั้งโดยหมวดโดยข้อโดยหมวดนั่นก็หมายถึงว่าหมวดธรรมเห่นอยนายตนะสิบสองโดยหมวดข้อก็หมายถึงจักขายเตนะเนี่เป็นข้อเรียกว่าโดยข้ อ, อที่ทรงจัดประเภทธรรมโดยเทศนานี้มีความหลากหลายอย่างที่ติดว่าจะได้พูดให้ฟังในคราวหน้านนะฮะ แล้วก็ไอ้โดยหมดเนี่ยบางทีก็แสดงนามล้วนๆบางทีก็แสดงรูปร้วนๆบางทีก็แสดงนามรูปปนกันก็มีข้อที่น่าคิดอันหนึ่งว่าระหว่างนามกับรูปเนี่ยอะไรหยาบกว่ากันเราก็คงจะตอบได้ทันทีว่ารูปหยาบกว่านามละเอียดกว่านะฮะหมายว่าบัพแห่งวิปัสสนาที่ยกรูปขึ้นแสดง ถือว่าเป็นการให้มุกกรรมฐานส่วนที่หยาบแต่ถ้าให้นามเราก็เป็นส่วนที่ละเอียดทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของอการอธิบายในทางในทางหลักแต่ถ้าถามว่าในการกำหนดเนี่ยอันไหนน่าจะกำหนดง่ายยากกว่ากันมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าระหว่างนามกับรูปเนี่ยอันไหนกำหนด ได้ง่ายได้ยากกว่ากันอันนี้เป็นเป็นข้อทีนาจะต้องพิจารณาเพราะว่าถ้าให้กำหนดเวทนาเราจะรู้สึกว่าเราจับประจับประมัดได้เลยไม่ค่อยยุ่งยากบัญญัติมันไม่ค่อยเข้าไปตีกินแต่ถ้าหากว่าให้กำหนดลู ป, ประธรรม อย่างเช่นกําหนดอิริยาบถกำหนดลมนี่นะฮะบัญญัติมันเข้าไปตีกินอย่างที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะกำหนดเดินเนี่ยไอ้กําหนดให้มันเป็นปรัตมมี่กําหนดอย่างไรก็ว่าฟังมานานแล้วยังไม่เข้าใจจนบัดนี้อันนี้มันได้พูกันมานานแล้วนะะพวกคอวิปัสสนาด้วยกันบอกโอโฟังมานานแล้วยังทําไม่ถูกเพราะทําแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเป็นสมมุติ จะให้กำหนดอย่างไรมันถึงจะเป็นปรัมมัิแต่ถ้าหากว่ากำหนดจิตกำหนดความรู้สึกเนี่ยกำหนดพัวลงไปมันถูกเลยก็เลยชวนให้คิดว่าถ้ากำหนดรูปที่เกี่ยวว่าเกี่ยวว่ายาบเนี่ยว่ายาบเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติจับถึงสภาวะมันกลับยากกว่า แต่กำหนดนามที่วัลละเอียดเนี่ยเวลาจับถึงสภาวะมันจับง่ายกว่าผูกปรมัดง่ายกว่านะแต่อันนี้นะมันเป็นส่วนเบื้องต้นส่วนเบื้องต้นหมายว่าส่วนเริ่มกะระทําเนี่ยเรากําหนดบัพที่เป็นมุกปรามัดเนี่ยกําหนดแล้วมันถูกปรามัดได้ง่ายเบื้องต้นกําหนดรูปเนี่ยมันลําบากมันมนักจะเป็นสมมติ ก็นกําหนดเดินมักจะเห็นกางเกงด้วยเห็นรองเท้าด้วยมันไม่ใช่แค่ปรุงแต่งขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะกําหนดนุ่งกางเกงแพรเดินมันก็เห็นกางเกงแพลหนุ่งเกงขาสั้นมันก็ไม่เห็นกางเกงขาสั้นไอ้ไม่เห็นกางเกงขายาวเอ๊มันทําไมไอ้ส ม, มุติมันเข้าไปติดถ้าเรากําหนดแล้วไม่ละเลยไอ้ความรู้สึกกับกางเกงเนี่ยมันก็กลายเป็นติดสมมุติไปกันใหญ่เลยนะ แต่กําหนดขามที่มันมีมโนภาพขานะฮะมีมโนมโนภาพขาเราว่าขายัางงุนขาอย่างงี้มันก็ผิดอีกแล้วจะให้ทํำยังไงทีนีไ้ไอ้ตอนที่เราฟังฟังเนี่ยแม้ผมก็บอกว่าแหมอาจารย์น่าจะออกเป็นช้อยน ะ, ะกอข อ, ของอว่าไอ้อันไหนผิดอันไหนถูกให้เลือกเลยพูดแบบตภกษาพูดนะว่ากําหนดอย่างนี้เป็นสมมุติเราจะได้วางใจถูกเอายังไงว่าไม่ชัด เนี่ยก็เป็นขั้นคุยกันเป็นว่าถ้าในชั้นต้นที่ว่าหยาบเนี่ยเป็นบับหยาบจริงแต่ไอ้บัญญัติหยาบมันก็เข้าไปง่ายอันอที่เป็นปรมัสตร์เนี่ยละเอียดจริงแต่บัญญัติหยาบมันกเข้าไปยากแต่มันไปพลาดตรงที่ว่าส่วนที่เป็นบับ ป, ปรมัสตร์เนี่ยคือมุกที่เป็นปรมัสตร์แท่เนี่ยมันจะไปยากตรงที่บัญญัติละเอียด จะเข้าไปอย่างเหนียวแน่นในภายหลังปลดลําบากลําบากยังไงก็เอาง่ายๆอย่างนี้ก็อย่างที่ว่ามาแหละ ว, ว่าเราจับเวทนาได้เนี่ยเราสามารถถอนความรู้สึกได้เลยเทียวหรือว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถอนอภิชาโทรมนัตได้เลยเทียวหรือบ่วเวทนาอย่างนี้ละควรวางเฉยเวทนาอย่างนี้ก็ควรวางเฉ ย, เ ย, ววเฉยไม่ได้ใช่ไหมฮะ เรายังมีความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเรายังมีอะไรแต่ อ, อะไรเข้าไปใส่เพราะไอ้ไอ้ไอ้บัญญัติชั้นลึกทิฏฐิชั้นลึกนี่เอาออกยากเอาออกยากถึงเราจะทามีความรู้สึกว่ามันจับถูกปลมัดง่ายแต่มันก็กลายเป็นว่าทำไปทำมาก็ไม่สามารถที่จะเปลืองส ม, มุติชั้นลึกได้ไอ้ตรงนี้มีประเด็นที่ผมจะพูดในประเด็นสุดท้ายของการบรรยายวันนี้อีกทีนะอยากเข้าใจชัดเจนขึ้น อก็เป็นนั้นว่าผ่านตรงนี้ไปก่อนเราไปดูอพูดตรงนี้ซะหน่อยว่าประเภทธรรมเทศนาที่ต่างกัน้วยสภาวะแล้วก็ต่างอเทศนาต่างกันสภาวะต่างกันคือรูปแบบของการเทศนาอันหนึ่งกับอองค์ธรรมหรือสภาวะธรรมที่อยู่ในรูปแบบนั้น ต่างกันเนี่ยก็หมายงอย่างเช่นเว ท, เวทนาบับกจิตตาบับจิตานุบัสนากับเวทนานุบัสนานี่นะมันคนระบับกันแล้วก็องค์ธรรมต่างกันเลยใช่ไหมนี่พูดถึงในขั้นมุกนะแต่ว่าในขั้นการกําหนดเห็นภายหลังก็มารวมกันเองครับมาเท่าๆกันเองแต่ว่าพูดถึงตีองค์ธรรมอย่างในขั้นแสดงเป็นมุกเนี่ยเวทนานุปัสนาเป็นเรื่องของเวทนาเจตสิกใช่ไม่ใช่ กิตตานุปัสนาเป็นเรื่องของวิญญาณขันธ์กิจปรมามัดใช่ไม่ใช่โดยองค์ธรรมนะที่วางเป็นมุกเอาขึ้นเป็นหัอนหน้าอยู่คนละหมวดกันด้วยไม่ใช่หมวดเดียวกันคนละบับกันอันนี้เรียกว่าต่างกันทั้งสองส่วนทั้งโดยเทศนาแล้วก็โดยองค์ธรรมยกตัวอย่างอย่างนี้ แบางทีก็ต่างาเทศนาต่างกันแต่ว่าสภาวธรรมเหมือนกันเช่นอาิยสัตว์กับปฏิจจงนี้เป็นต้นนะมันเป็นรูปของการแสดงเหตุผลของทุกอย่างย่อ ก, กอย่างพิสดารก็คงขอยกตัวอย่างเราๆแค่นี้แล้วก็ขอผ่านเลยไปประเด็นที่หกนี่จะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่าอะไราเรียกว่าเป็นปรมัติต เวลากำหนดเนี่ยกำหนดตรงไหนนะฮะกำหนดให้ถูกตรงไหนกำหนดเข้าไปหาอะไรจึงจะเรียกว่ากำหนดถูกสภาวะของปรมาจา์ก็คือกำหนดโดยสภาวะลักษณะแะครับถ้าเรียนสภาวะลักษณะเลยแปลว่าลักษณะของสภาพธรรมกำหนดให้ถูกลักษณะของสภาพธรรมไม่ใช่กำหนดให้ถูกลักษณะของ สมมุติถึงแม้ว่าเราจะเอาบับสมมุติเนี่ยมาตั้งแต่ว่าไม่ใช่กำหนดเช่นกาหนดเดินเนี่ยเอ า, เอายาบทมามาตั้ง น, นะเดินยืนนั่งนอนไม่ใช่กำหนดเพื่อให้เห็นสภาพของเดินว่าเดินยังไงเดินอาการเดินเป็นลักษณะมีลักษณะของเดินสมมุติยังไงเดิน คำว่าเดินยังไงคงนึกออกนะเดี๋ยวจะต้องรู้ว่าเออถ้าเดินยังไงเรียกว่าเดินแบบอ่าทหารเดินเดินยังไงแบบนางงามเดินไ อ, อ้ย่างงั้นมันมันเป็นสมมุติไปแล้วครับมันใช้ไม่ได้หรือนั่งเนี่ยคือนั่งยังไงนั่งถูกไหมนั่งเรานั่งคัดสมาธิเพชรหรือนั่งขัดสมาธิราบนะค่อยเราแวดระวังรู้แต่ไอ้ตรงนั้นตรงอื่นไม่ไม่เอา ปกปิดเสียละความสนใจเสียอย่างนี้นะไม่ใช่สภาพปรมาติไม่ใช่สภาวะลักษณะแต่เป็นลักษณะของสมมุติใช้ไม่ได้ไม่ใช่รู้อย่างนั้นต้องรู้เข้าไปถึงสภาวะของปรมาติสภาวะของปรมาติที่เรียกว่าสภาวะลักษณะก็ดีหรือเรียกว่าปัจจตลักษณะก็ดี หรือเรียกว่าวิเศษลักษณะพอดีผมไม่ต้องแปลท่านรู้เกือบจะทุกคนในที่นี้นะมันมีอยู่สี่อย่างสี่อย่างเนี่ยเราก็เคยพูดพูดมาแล้วแต่ว่าในแง่ของวิปัสสนาต้องมาพูดกันอีกทีนะฮะคือหนึ่งลักษณะอ่าพูดเลยลักษณะคําว่าลักษณะเนี่ยแปลว่าที่กําหนดหมายที่กําหนดหมาย ความเข้าไปกำหนดหมายเรียกว่าสันลักษณะสันลักษณะความเข้าไปกำหนดหมายคือตัวเข้าไปกาหนดหมายกำหนดหมายลักษณะคือที่กำหนดหมาย <uz i. S 1> ที่เรียกว่าที่กำหนดหมายเนี่ย อ, อ, อันนี้ถ้าเราย้อนกลับมาพูดถึงภาษาวิปัสนาที่พูดๆกันว่ากำหนดกำหนดนะ คอยกำหนดคอยกำหนดต้องกำหนดต้องกำหนดอย่าลืมกำหนดอย่าลืมกำหนดเนี่ครับคูบาอาจารย์มักจะเอาคำนี้มาพูดแล้วก็บางทีก็พูดกำกับไปเลยว่ากำหนดอารมณ์กรรมฐานหนึ่งก็มักจะพูดอย่างนี้นะแล้วแต่จะไปทำแบบไหนอย่าลืมกำหนดอารมณ์กรรมฐานอะไรมันจะเกิดจะไปตามสนใจกำหนดอารมณ์กรรมฐานเข้าไว้เนี่ก็แปลว่าท่านพูดถึงตัวกำหนดและที่กำหนด นะทีนี้พอบอกว่ากําหนดอารมณ์กรรมาฐานไว้ถ้าลูกเสีย์เทียงว่าก็กําหนดแล้วหรือกําหนดยังไงถามว่ากําหนดยังไงกําหนดอย่างนี้ถูกไหมอาจารย์ก็ต้องค่อยอธิบายไล่ต้อนไปให้ใ ห, ให้มันถูกเรื่องนะก่อนนี้เราก็นึกถึงเวลาที่เราไปสอบอารมณ์กรรมาฐานกันแล้วกันนะะฟังคนอื่นเขาอาจารย์สอบคนอื่นบ้างแนะนําคนอื่นบ้างแหละฟังฟังดูแล้วก็ เราถ้าเราเรียนเรื่องพวกนี้แล้วมันจะเกิดจุดสนใจแล้วก็มันเป็นข้อเท็จจริงอธิบายหลักการที่เราได้ยินได้ฟังมาอย่างอย่างผิดไปจากที่เราฟังอย่างคนไม่รู้อะคนไม่ได้รู้หลักการเนี่ยฟังแล้วมก็ไม่ไม่เข้าจุดสนใจตีค่าไม่เคยจะเป็นเราฟังแล้วตีค่าไม่ออกแต่ว่าถ้าเรียนหลักการแล้วจะจะเราจะนึกตีค่าออกนึกทาความเข้าใจความต้องการว่าอาจารย์ถูก นึกเข้าใจความรู้สึกของโยคีถูกได้่รอของอย่างนั้นอย่างนั้นงัดแถ ม, แถมบางทีแล้วก็ต้องช่วยบอกความหมายความในใจของรู้สึกในอาจารย์ฟังด้วยว่าคงจะหมายถึงอย่างนี้บางทีแล้วก็อาจจะตั้งหนึ่งสองสามอย่างนี้ใช่ไหมหรืออย่างโน้เขาบอกอย่างโน้ตอาจารย์ก็อันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเดี๋ยวจะกลายเป็นขวดวิเศษไป ก็ต้องดูท่าทีความจําเป็นเฉพาะหน้าตอนนั้นให้เหมาะขอนนี้น่ะจึงหมายความว่าลักษณะเนี่เราเป็นพระเอกเป็นพระเอกเริ่มต้นเลยของการปฏิบัติผู้ทํากรรมฐานเนี่ยเริ่มต้นต้องจับลักษณะแต่ว่าไอ้ก่อนที่จะมาจับลักษณะเนี่ยเวลาท่านให้ให้ให้มุกกรรมฐานเนี่ยนะฮะเรามานึกดูข้อเท็จจริงในทางหลักคุยจา ว่าท่านบอกหรือในกายานุปัสสนาว่ากำหนดเดินคือกำหนดเคร่งตึงลักษณะเคร่งตึงหรือบอกเลยหรือว่ากำหนดเดินคือกำหนดเย็นร้อนอ่อนแข็งไม่ได้บอกใช่ไหมท่านเพียงแต่บอกว่าเดินก็รู้ว่าเดินเนี่ย ไอ้ที่ผมบอกไอ้บทบรรยายในพะระไตรปิฎกมีปัญหาห้วนๆอย่างเงี้ยเดินก็รู้ว่าเดินเอ้เราก็บอกเอ้แล้วเราไม่รู้เลยเดินเราไม่รู้ว่าเดินหอนั่งเราไม่รู้ว่านั่งเลยใช่ไหมฮะก็ปัญหาก็คือว่ารู้อย่างไรเพื่อไปรู้อย่างไรเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าเดินรู้ว่าเดินเนี่ยคือท่านตั้งมุก ตั้งมุกมุกก็คือไอ้ปากทางหรือไอ้ตัวหลักที่มันเป็นที่รวมของสภาวะเอามาวางสภาวะเหมือนเอาหนังสือมาให้เราเล่มหนึ่งเนี่ยในหนังสือมันมีเนื้อหาสาระอยู่ในนั้นไม่ได้ให้หนังสือเพื่อให้เรามาดูหนังสือดูลูบเล่มหนังสือหรือเอาหนังสือไปนั่งดมนั่งลูบนั่งกลัเก็บวางๆก็มาดูดีเอาไปนอนเอาไปกอนไม่ยอมเปิดดูเลย นะเพราะนั้นมุกเนี <States music> dumpling, ่ยจึงหมายถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่ไม่ได้ให้มาเพื่อเอาไปทำอย่างอื่นแต่ใหเพื่อใหอ่านเจาะเข้าไปในหนังสือให้ได้ความในหนังสือถ้าเราได้หนังสือไปแล้วเราไปไม่ได้เอาไปอ่านไม่ได้สำคัญหมายเอาไปอ่านเอาไปใช้เพื่ออย่างอื่นเราไม่ได้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้อ่านหนังสือไม่ได้ทำตามความประสงค์ของผู้ใหหนังสือ แล้วก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้ประโยชน์จากหนังสือนะฮะแต่ถ้าเมื่อใดเราไปอ่านและได้ความในหนังสือชื่อว่าเราได้ทําตามความประสงค์ของผู้ให้หนังสือพระพุทธเจ้าทรงประธานมุก ข, ของกรรมฐานเนี่ยก็เพื่ออย่างนี้เพราะเราไปเปิดอ่านเนี่ยยิ่งอ่านตลอดเล่มอ่านไปอ่านมาอ่านแล้วอ่านอีกอ่านเทียบเคียงแง่นู้นแง่นี้เราก็ยิ่งได้ความ ลึกซึ้งของสภาวะเนื้อหาในหนังสือมากขึ้นขนาดนั้นเหมือนกับมุกที่เอามาตั้งเนี่ยมันก็มันไม่ใช่แค่เดินแล้วก็รู้แต่เรื่องเดินโดดๆไปงั้นมันไม่ได้มีแต่เดินโดดๆไปงั้นเหมือนหนังสือก็ไม่ใช่เป็นหนังสือเล่มเดียวโดดๆไม่มีอะไรนอกนี้นอกเหนือจากนี้เนื้อหามันอยู่ในนั้นน่ะเรียกว่าโลกทั้งโลกก็อาจจะอยู่ในหนังสือเพียงเล่มเล็กๆ เ, เ, เ, เล่มเดียวได้ชั้นใดก็ชั้นนั้น โลกคืออัตภาพนี้และความที่สุดสิ้นสุดแห่งโลกคือทุกได้แก่อัตภาพนี้ก็อยู่ในมุกของกรรมฐานนั่นแหละใครอ่านเข้าไปแทงตลอดแค่ไหนก็ได้ประโยชน์ได้สติปัญญาจากมุกนั้นเต็มที่มากกับ อ, อันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบให้ฟังทรนี้สมมติเอาละ่ะเรามาว่ากันไอ้จริงๆว่าสมมุติว่าเรา เอาอิริยาบถมากำหนดกำหนดแล้วแล้วเรากำหนดถูกต้องตามทิศทางของกรรมฐานก็เห็นธาตุสีที่เห็นได้โดยง่ายอยู่ในอิริยาบถเดินเช่นว่าเคร่งตึงมีอยู่ในอิริยาบถเดินจริงหรือไม่จริงเราหลายคนก็ได้เคยเห็นมาแล้วโดยมิยากว่ามันอยู่ในนั้นจริง ไฟก็มีอยู่ในนั้นจริงถามว่าไอ้ที่เราเห็นไฟเห็นลมเนี่ยสองอย่างเนี่ยเอายกตัวอย่างอย่างนี้นะเราเห็นไฟลุกขึ้นเป็นเปลวสูงบ้างต่ำบ้างแดงบ้างเหลืองบ้างเปลวลงบ้างเปลวขึ้นบ้างหรือเห็นแต่เพียงลักษณะว่าร้อน ถ้าตอบกันอย่างจริงๆริงรวมๆบอกคนก็ทั้งสองอย่างแหละแต่อีอย่างที่เห็นเป็นเปลวนผิดอีอย่างที่เห็นเป็นลักษณะนั้นถูกนะวันนี้ก็ต้องการเอาความหมายที่ถูกเราก็เห็นเป็นลักษณะว่าร้อนนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเอาสติตามที่ติดแจติดแจนี่ไม่ได้ไปแปล ว, ว่าไปเที่ยวบังคับให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเมื่อใดธาตุดินปรากฏ เราก็กําหนดธาตุดินเมื่ออะไรธาตุน้ําปรอาอัมธาตาุลมปรากฏเราก็กําหนดธาตุลมแล้วก็กวกไอ้น้ําก็รู้ได้ไม่ใช่รู้ไม่ได้ชั้นแรกอาจจะยังรู้ไม่ได้ในฐานะที่เป็นผปฐพะล้วตามปฐพะตอนหลังก็ออกมาในทางมโนถวารก็รู้ได้ความเากาะกลุ่มความมั่นคงเหนียวแน่นขององค์ประกอบของอิริยาบทนี้แล้วก็แม้แต่รูปอื่นๆที่ อยู่ในนั้นรูปเบารูปออนรูปควรถึงมันจะไม่มีอนิจจังตุวขังน้าตายอยู่เนี่ย น, นะแต่มันก็สะท้อนออกมาเห็นเป็นอารมณ์ของปัญญาเราให้ประโยชน์ส่วนนั้นส่วนนี้ไปตามสมควรมันก็จะออกมาจนกระทั่งในขาเรามันไม่มีอย่างที่ว่าขาไม่มีกําหนดจนขาหายนี่กระทาถูกแล้วนะไม่ใช่กาหนดจนขาเกินเลยผิดมีขาอะไรอีกขานึงมาแล้ว มาเป็นขาพิเศษ ท, ที่ยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อคราที่แล้วนะฮะอย่างนั้นผิดหรือขาแล้วขาที่กําหนดนะั้นมันเกิดเป็นขาที่ผิดไปจากเดิมแล้วมันไม่ตรงกับความจริงก็เป็นเรื่องผิดอีกอันนี้ะคระับพอมันได้ลักษณะเนี้ยก็จับตามลักษณะจับลักษณะของรูปนั้นแล้วก็อีเลส มันก็จะเข้ามาเกี่ยวความยินดียินไลายความชอบไม่ชอบจิตที่เป็นตัวสั่งรูปนั้นให้ก้าวอย่างเดินคูเหยียดมันก็เข้ามาเกี่ยวข้องโดยที่เราไม่ต้องไปผวนกวายอะไรถ้าเราตามด้วยสติอย่างดีเนี่ยมันก็ออกมาเองไม่เกิดจากการบังคับแล้วมันจะเป็นเรื่องที่ต้องออกมาด้วยครับต้องออกมาจนกระทั่งมันแสดงตัวออกมาให้เห็นเป็นแต่ ที่ชุมของลักษณะของสภาวะธรรมเท่านั้นอย่างอื่นไม่มีนะอันนี้จะเป็นเรื่องที่ค่อยๆเห็นกระแสะลึกกระแสะละเอียดลงไปตามลาดับแต่ในชั้นต้นเนี่ก็เป็นแต่เพียงว่าอะไรลักษณะใดปรากฏก็จับรู้ไปตามสมควรให้ได้ก่อนในขั้นอารัตตาวิปัสสนานี่คือตัวลักษณะที่จะต้องเอาเป็นหลักไว้เพราะนั้น ก่อนที่จะอธิบายไปถึงอันอื่นเนี่ยผมจึงย้ำว่าสิ่งที่ผู้ปฏิบัติขั้นต้นจะต้องสำคัญหมายและใส่ใจจับเอาไว้เนี่ยอันแรกที่สุดคือมุกของอาจารย์ผมใช้คาว่ามุกของอาจารย์คืออารมณ์กรรมฐานที่อาจารย์บอกให้ทำหรือเราสมัครใจจะทำ <S <S เข่นกำหนดลม เราก็อย่าอวดวิเศษลื ม, ล, มล้มแล้วไปกําหนดอย่างอื่นนะนี่คือมุกของอาจารย์อาจารย์บอกว่าให้กําหนดพองยุคเราก็เอาพองยุคเป็นมุกที่อาจารย์บอกกําหนดเพราะว่าการจะไปเห็นลักษณะเนี่ยถ้าไม่ได้มุกแล้วลักษณะก็ไม่มีใช่ไหมฮะเพราะลักษณะมันอยู่ในมุกไม่ได้อยู่ที่อื่นอันนี้ผมพูดเป็นภาษาอย่างภาษาทางคำพีให้เขาว่ามุกภาษาอย่างเราพูดกันตามทั่วไปก็คือ อาจารย์บอกว่าอย่าทิ้งอารมณ์กรรมฐานถ้าคําพูดนี้เป็นของอาจารย์สายยุบพองก็หมายถึงพองยุบถ้าอาศัยหายใจเข้าหายใจออกก็หมายถึงหายใจเข้าหายใจออกสายอตนะก็หมายถึงการรู้ทางอจตนาทั้งหกอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นสายอื่นก็มีอีกมากมายแต่ละสายก็หมายถึงให้เริ่มต้นตรงนั้นอหยิบหนังสือมาให้วางเราจะเรา จะต้องทิ้งหนังสือไม่ได้นะถ้าทิ้งหนังสือแล้วีไ่ไปอ่านอะไรอย่าไปได้ความจากที่ไหนหนังสือต้องอยู่เราจะทิ้งได้ก็ต่อเมื่อนู่นแหละครับทิ้งหนังสือจริงๆนะคือเมื่อไหร่รู้ไหมมักนะทิ้งหนังสือเลยต้องถึงขั้นมักน่ะคือทิ้งน้ำทิ้งรูปเรียกว่าอ่านจนตัวออกไปจากนามรูปแล้ใจไปจบับวัณิกุปต์มาแล้ว ถึงจะทิ้งได้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ทิ้งไม่ได้มันอาจจะมีอย่างนี้ครับคือเรียกว่าทิ้งเล่มนี้ไปเอาเล่มอื่นมีภาคสองหรือมีการเลื่อนมุกเปลี่ยนมุกอย่างนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือไม่ทิ้งหนังสือเหมือนกันพอเราไม่ทิ้งหนังสือเนี่ยก็จะได้ความไอความที่เราอ่านออกมาในชั้นต้นก็คือจับลักษณะได้แต่ละอย่างแต่ละอย่าง และเราก็จับลักษณะนะฮะคือมือมือถือหนังสืออยู่นั่นแหละแต่ว่าใจมันไม่ได้อยู่กับเล่มหนังสือแล้วอ่านไปตามดูหนังสือแต่ใจมันไปอยู่ที่เนื้อหาจริงไม่จริงเวลาเราอ่านหนังสือเนี่ยมีใครบ้างอ่านหนังสือรู้เรื่องดีดูถ้าดูแต่รูปดูแต่เล่มอ่านไม่รู้เรื่องถ้าใครอ่านหนังสือจนลืมรูปเล่มลืมนึกถึงรูปเล่มคนนั้นเข้าถึงความลึกซึ้งของหนังสือมาก จะเกือบจะลืมมือตัวเองนะถืออะไรอยู่นะฮะตั้งที่ถืออยู่แต่บางทีถ้าปิดหนังสือแล้วก็เนื้อหาไม่เดินนะฮะ บ, บางทีอเราอาจจะรู้เนื้อความอยู่แล้วบางทีต้องไปหยิบหนังสือมาอ่านอีกถึงจะได้ความลึกซึ้งอย่างที่น่าพอใจทไมาหยิบหนังสือมาอ่านอีกถึงจะจําได้นึกๆเ น, นบถ้วนอย่างเราเรา มันสู้หยิบหนังสือมาอ่านต่อหน้าต่ตาไม่ได้เพราะนั้นอันนี้คือมุกของอาจารย์ต้องไม่ทิ้งเพราะแล้วก็อ่านลักษณะที่ปรากฏอยู่ในมุกนะทีนี้ปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าถ้าเรากำหนดลักษณะเนี่ย ท่านสอนให้จับลักษณะเพียงอย่างเดียวหรือหลายอย่างที่เราอาจจะเคยได้ยินว่าอะไรปรากฏแล้วก็ก็ดู น, นะนะฮะดูไปตามที่มันปรากฏบางทีก็อาจจะเคยได้ยินว่าต้องตามกำหนดที่ลักษณะบางลักษณะที่เราเลือกแล้วที่จะกำหนด ตรงนี้เป็นข้อที่เรียกว่าเป็นปัญหาในทางการปฏิบัติประสมควรในวงการนะไม่ใช่ที่ใดที่เดียวเจริงๆเนี่ยครับในทางหลักที่ที่เคราะห์ดูอย่างข้อที่แน่ชัดมีหลักฐานอ้างแล้วเนี่ยจะทําแบบไหนก็ตามมันเป็นเรื่องที่ต้องเลือกทําทั้งนั้นไม่มีคําว่าไม่เลือกเลือกทําคือเลือกมุกไหนบางมุกเนี่ยมีอารมณ์กว้าง ในเบื้องต้นบางมุกนั้นมีอารมณ์แคบในเบื้องต้นผมต้องเน้นคำว่าเบื้องต้นเพราะว่าไอ้เบื้องปลายแล้วมันกว้างเลยกันอย่างคนที่เลือกถ้าเลือกทําตามแบบอายตนะบัปหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะถือว่าเป็นอารมณ์เลือกที่มีสภาวะธรรมกว้างลูกปรากฏก็กําหนดรูปไม่ใช่ไปเที่ยวกําหนดแต่รูปอแต่เสียงอย่างเดียว เสียงปรากฏก็กำหนดเสียงกลิ่นปรากฏก็กำหนดกลิ่นนะอะไรเป็นอารมณ์แรงปรากฏเฉพาะหน้าหรือควรแก่การกำหนดในขณะนั้นให้กำหนดอย่างนั้นอันนี้เรียกว่ามุกที่ที่เราเลือกชนิดที่เป็นอารมณ์กว้างครอบคลุมอารมณ์กว้างบางอย่างเนี่ยเลือกมุกบางมุกเนี่ยแทบเราจะเห็นว่าอย่างอิรยาบดใหญ่อิรยาบด ย, ย, ย่อยอยู่คนลบับ ถ้าใครเลือกอิริยาบถใหญ่ก็ตามอย่างแคบๆใช่ไหมความจริงไอ้ย่อยมันก็ปนอยู่กับใหญ่แล้วแต่เราไม่ไม่หมายเอาเอาย่อยเป็นเรื่องจะต้องไปตามรายละเอียดเราเอาแต่ตัวหลักๆคือยาบทใหญ่แต่ถ้าคนทําอิริยาบถย่อยก็กําหนดกิจตชรูปในลักษณะที่หลากหลายให้ความสําคัญทัดเทียม ก, กันก็ตามกําหนดอยาบทย่อยผู้นิ่งก็ตามเดินก็ตามคู่ก็ตาม ให้ความสำคัญหมดอันนี้ก็เหมาะกับคนบางคนบางคนก็หลากหลายก็ดีบางคนก็น้อยน้อยดีไม่บุญนะรงนี้นะถ้าเราดูจากคำสอนพระเจ้าในชั้นพระใจบิดกแ้วการบรรลุ ธ, ธรรมของพระอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็เห็นชัดว่าโอ้ท่านท่านเข้าใจคนบางคนเนี่ยมากไปแล้วมันบุญนะมันสับสนใช่ไหมฮะ สับสนในขั้นการปฏิบตัติต้องน้อยๆไม่สับสนไม่เน็ดไม่เหนื่อยบางคนคล้ายๆว่าเยอะๆดีมันรู้สึกมันอิสระไม่ถูกจำกัดถ้าไปให้ทำน้อยๆรู้สึกกระตุกจจำกัดไม่เหมาะกับคนพวกนี้ก็ท่านก็สอนให้ลักษณะความงคล่างนี่เขาเรียกว่าตัวอารมณ์เองเนี่ยที่เอามาตั้งกำหนดเนี่ยมีมากมีน้อยต่างกันแล้วกไ็ไอความหลากหลายทางวิธีนั้นก็แบบเดียวกันนะ บางคนก็ใช้วิธีที่จะสนองมุกเนี่ยแคร์แครบางคนก็ใช้วิธีที่จะสนองความสำเร็จทางมุกนั้นในลักษณะขล่องคลางคือให้อิสระมากแตกต่างกันอันนี้เป็นเรื่องน่าศึกษาแต่เป็นเรื่องภายหลังต่อไปก็เป็นอันว่าในชั้นนี้นะพระเอกอยู่ที่ลักษณะของสภาวะธรรมและถ้าลักษณะยังอยู่เนี่ยความคืบลึกของกรรมฐาน แม้ขยายตัวไปเป็นอื่นๆลักษณะนั้นจะยังยืนอยู่คล้ายๆเป็นหลักโยงข้อเท็จจริงอย่างอื่นเข้ามาเห็นข้อเท็จจริงของผลจากลักษณะนี้เหตุของลักษณะนี้จะถูกยงเข้ามาปรากฏในการกำหนดรูของเราต่อไปตามลําดับของยานของการเข้าถึงต่อๆไปแต่ถ้าหากว่าทิ้งลักษณะเมื่อใด มันก็เหมือนทิ้งมุกเมื่อกี้ทิ้งมุกไม่ได้ลักษณะทิ้งลักษณะไม่ได้อย่างอื่นที่จะตามมาถ้าสมมติว่าเรากําหนดว่าเริ่มต้นเนี่ยกําหนดรู้ว่าเออเวทนาเป็นอย่างนี้ไ อ, อเวทนานี่เกิดจากอะไรเนี่ยไอเราเราจะไปคิดเพื่อให้ให้มันได้คําตอบมันก็จะกลายเป็นคิดไปก็ใช้ไม่ได้แล้วเวลาคนรู้ก็ไม่ต้องมานั่งคิดอย่างนี้หรือว่าไ อ, อเวทนาเนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะมีผลอะไรต่อไป เราจะไปคิดก็ไม่ได้ไม่ใช่หน้าที่คิดต้องค่อยๆ อ, อบรมสติให้มันแก่กล้าแล้วมันจะค่อยๆเห็นไปโดยลําดับเงีงอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นเรื่องของภาวนาทีนี้ว่าบางทีเรากําหนดเห็นแล้วแล้วมันมันจืดมันจางไปยังไงก็ต้องเรียกว่าไอ้จุดตั้งหลักเนี่ยต้องมาตั้งที่นี่เสมอตั้งที่ลักษณะส่วนขนาดนั้นจะเป็นลักษณะของอะไรตอนนั้นที่กําหนดได้ก็เอาอันนั้นแหละกําหนดไปตามเหตุผล ที่เราอย่างเห็นได้คราวหน้าเนี่ยผมจะมีพระสูตรคัดมาให้ดูแล้วก็จะชี้ให้ดูว่าจุดกำหนดอะไรยังไงเมื่อไหร่ที่มันเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติกันได้จริงๆเนี่ยมันมีอยู่จริงๆจะจะเป็นตัวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในแบบต่างๆขันก็วิธีกำหนดก็เยอะในสติปัฏฐานสูตรไม่ได้บอกไว้อย่างนั้น อายตนะก็มีวิธีกําหนดเยอะทั้งขอ้อพิสดารขอ้อย่อยแล้ววิธีกําหนดกําหนดตรงจุดไหนไปหรือจุดไหนอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปฏิจจคก็มีวิธีกําหนดเยอะอแม้แต่ทำข้ออื่นๆแบบอื่นๆก็มีวิธีกําหนดเยอะิอยาบทเหมือนกันว่ากํารกำหนดียาบทเนี่ยจะต้องมากากเกณฑ์ไหมว่าวันหนึ่งนั่ง เดินให้เดินกี่เปอร์เซ็นต์บางคนทำียาบทนะนอนสักกี่เปอร์เซ็นต์ต้องมานั่งแบ่งเปอร์เซ็นต์ไหมอย่างเงี้ยหรือี่พู้นึกยาบทใหญ่ถ้าเราอาจจะนึกว่าถ้าจะกําหนดียาบทเนียเราปล่อยไปตามธรรมชาติให้นั่งไปตามเหตุผลนอนไปตามเหตุผลเดินไปตามเหตุผลนี่ก็หลักที่เราปฏิบัติอยู่แต่ว่า ในการที่ทำแต่ละคนแต่ละคนมันมีหลากหลายบางคนก็เดินาจักไปอย่างพวุนี้ที่จะมีพระสูตรสูตรหนึ่งไม่ยกตัว อ, อย่างพระโสนโกริวิสัะเดินจัดไปจนพระพุทธเจ้าต้องเสด็จมาแก้ จัดขนาดไหนจัดจนเรียกว่าที่จงกลมเนี่ยแดงไปได้เลือดเรากับเป็นท่านใช้คําว่าราวกับโรงฆ่าโคทางเข้าโรงงานฆ่าโคไอโรงฆ่าโคก็ไอเลือดก็ติดเท้าโคเท้าอะไรคนมาบ้างอะไรบ้างรอบๆโรงฆ่าโคมันก็โรงฐานมันก็ดกําไปด้วยฐานนะติดคนมาบ้างติดอะไรมาบ้างรอบๆ บ, บริเวณนะ้น ก็ถามพระพระก็บอกว่าท่านโสนะท่านทำความเพียรด้วยการเดินจัดเกินไปจนท้อโดบาราลบว่าเราภาษาวกผู้ที่บําเพ็ญความเพียรกล้าเราก็เป็นคนหนึ่งฉะนั้นเราถึงไม่บรรลุทำที่สุดแห่งทุกข์เหมือนกับภาษาวกเหล่านั้น หลวงพ่อเจ้าก็เสด็จมากแก่นะก็ถ้าใครอยากรู้ก็เป็นขาวประจำก็ตามฟังที่นาะมีเนื้อความในกระสูตรด้วยตั้งหกหน้ากระดาษ น, นะใจจะดีมากไปหน่อยเป็นเป็นเรื่องเรื่องอันนี้แล้วท่านสอนเึงวิธีแก่เออว่าจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้จริงเป็นเรื่องหลากหลายในแต่ละคนแต่ละคนเอะแล้วบางคนเนี่ยทําไมเดินหามลูกหามคัมเดินยังไงก็ไม่ผิดเฮ้บางคนทําไมเดินมากไป กลายเป็นไม่ถูกเนี่ยมันมั น, ม น, ม น, มนไม่ใช่เรื่องตายตัวนะฮะเรื่องสายพินตึงสายพินหย่อนเนี่ยแค่ไหนหย่อนแค่ไหนตึงมันก็เกิดเป็นที่ต้องอธิบายไปตามบุคคลซะแล้วแล้วก็อธิบายไปตามการละของบุคคลนั้น อ, อขอให้มาดูจุดที่สองนี่เป็นความระบาดของสติที่จะค่อยๆขยายตัว คือเมื่อลักษณะจับได้จนชัดเจนจนแม่นยำแล้วเนี่ยสิ่งอื่นที่มันเกี่ยวพันกับสภาวะธรรมนั้นจะค่อยๆถูกชักมาถูกโยงมาถูกดึงถูกดูดมาคู่นั้นก็จะเห็นไปตามกระแสนี่ในขั้นตน้นแล้วไม่มีกระแสลึกลงไปอีกนะนี่เราพูดแต่เพียงว่าขั้นตน้นขั้นเบื้องตน้น จนกระทั่งถึงขั้นยานที่สองก่อนกิจซึ่งหมายถึงอำนาจหน้าที่ของสภาวะนั้นอำนาจหน้าที่ของสภาวะธรรมนั้นสภาวะธรรมก็คือไอลักษณะนั่นแหละมันคือตัวสภาวะธรรมนั้นที่เรากำหนดเห็นเนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรขึ้น คือมันมันมีอำนาจอะไรที่จะก่อให้เกิดอะไรขึ้นอำนาจที่มันทําโดยที่เรียกว่าเหมือนไม่ได้จงใจเนี่ยนะฮะอย่างพวกนามพวกรูปพวกหลายอย่างนะมันไม่ได้จงใจถ้ามันเป็นนามรูปบางอย่างมันก็อาจจะมีความจงใจแต่ว่ามันจะจงหรือไม่จงใจให้เกิดผลอย่งัง้นผลก็ต้องเกิดอันนี้แหละคือพลัง พลังทมแต่พลังทมที่พูดถึงตรงนี้มันไม่ได้มีความหมายในทางดีเหมือนกับลักษณะที่เรากำหนดเห็นเนี่ยเราอย่านึกหมายเตรียมในใจว่าจะต้องเห็นลักษณะแต่ที่ดีๆเท่านั้นใช่ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำไฟลมหรือสภาวะธรรมอื่นที่มันแสดงลักษณะให้เราจับได้เนี่ยมันมีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งกุศลทั้งอกุศล ทั้งเกิดจากอากุศลทั้งเกิดจากอากุศลทั้งที่เป็นกลางทั้งที่เราปราถนาทั้งที่เราไม่ปราถนาแต่ในบทบาทของการเจริญกรรมฐานเนี่ยถือว่าต้องเป็นสิ่งพึงปราถนาหมดไม่ใช่ปราถนาด้วยความกำหนัดและด้วยความไม่ชอบใจหรื อ, รอด้วยความรักความชังนะฮะที่พูดอย่างนี้นะ ผมพูดตามพระพุทธเจ้าพูดไว้ในที่เป็นอันมากถ้ายกตัวอย่างท่านในที่หนึ่งก็ทันตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเป็นลาภของพวกเธอเธอได้ดีแล้วที่เธอได้ประสบนรกที่ตาหูจมูกลิ้นกายที่เธอได้ประสบสวรรค์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจ เนี่ยบอาคำพูดตัวเนี่ยสัมพันธ์กับคำพูดลักษณะนี้ในทุกทุกแข่งไหนพระเจ้าปิฎกแม้ในสติปัฏฐานสูตรว่าอภิชาโทมานต์นำอภิชาโทมนั์น อ, นออกอคือถ้าตรัสว่าได้เนี่ยหมายถึงอารมณ์ดีไม่ดีนะซึ่งโดยโปกติมันจะทําให้เกิดอภิชาโทมานต์ทีนี้ถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องมันก็ดีอภิชาไม่ดีโทมนั์หรือนรกโทมนั์สวรรค์อภิชา เราไม่คิดที่จะนําออกคิดแต่ว่าต้องการอันหนึ่งไม่ต้องการอันหนึ่งด้วยความรู้สึกได้กิเลสแล้วมันก็ปรากฏว่าไอ้ความไม่ต้องการเนี่ยมันเหวี่ยงเหวี่ยงงูไม่พ้นขอไอ้ความรู้สึกได้กิเลสเนี่ยนะไม่ต้องการชิงชังมันกลับยิ่งได้ไอ้ที่ต้องการต้องการต้องการเนี่ย มันกับบางทีไอ้ได้มันก็ไม่ได้ได้แต่สิ่งที่เราต้องการมันมีอย่างอื่นติดมาด้วยคือมีเชื้อที่จะทําให้เราเกิดความไม่ชอบใจติดมาด้วยซึ่งจะผิดกับการเข้าไปกําหนดรู้ด้วยสติมันจะล้างล้างทั้งทั้งสองฝ่ายล้างความรู้สึกนะความรู้สึกยินดีกับสิ่งที่ไม่ดีไอ้ h, ที่ดีล้างความรู้สึกยินร้ายกับสิ่งที่ไม่ดี ก็จะทําให้เราในอยู่เหนือสิ่งที่เป็นอิทธาลมและอนิฐาลมเหมือนที่พระอาหารหันต์ท่านสามารถวางอุเบกขาได้ก็โดยการฝึกอย่างนี้แล้วมันเป็นข้อบังคับเลยว่าทั้งดีทั้งไม่ดี เ, เป็นข้อเท้จริงที่ต้องรู้และต้องฝึกแรงต้านทานของใจตัวเองให้ได้ด้วยสตินี้ทีนี้ไอ้ดีและไม่ดีเนี่ย มันไม่ได้ได้มาด้วยความที่ที่ว่าเป็นลาบเนี่ยเราไม่ได้ไปขอร้องให้ไม่ดีมาขอร้องให้ดีมาขอร้องหรือไม่ขอร้องมันก็มีเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องบอกว่าเป็นเป็นโลกแห่งลาบของคนที่จะฝึกตัวนะะมันมีดีและไม่ดีอยู่ด้วยกันที่มันเป็นเชื่อของอภิชาตอมนัทนี่ถ้าเรามีหลักแล้วก็มาฝึกปฏิบัติอย่างนี้มันก็เลยจะกลายเป็นปุ๋ยของ กรรมาฐานไปได้เพราะฉะนั้นสภาวะลักษณะที่เราเห็นเนี่ยทั้งดีและไม่ดีแต่มันดีที่ไหนครับคุณค่ามันได้ที่ไหนได้ที่ตัวกําหนดใช่ไหมฮะคือตัววิปัสนาแหละได้คุณค่าตรงนั้นคุณค่ามันเกิดขึ้นตรงนี้อารมณ์ดีไม่ดีจางไอโทมนัสกับอวิชชาที่เคยเกิดมันทําให้เสียคุณค่าทําให้ขาดทุนเราก็มาทําให้ได้คุณค่าอาเซีย ด้วยการกําหนดด้วยสติแล้วมันก็เลยทําให้เรียกว่าเอาโจรมาบวชเป็นพระได้ก็แล้วกันที่ผมพูดอย่างนี้คือเราคงจะเคยได้ยินคำว่าอา น, นิจังพระไตรลักษ์ใช่ไหมฮะทําไมต้องใส่พระเข้าไปพระไตรลักษ์ไอตอนยังไม่ปฏิบัติธรานเรียกไอเลยใช่ไหมไอไตยลักมันเป็นความหิยนะเป็นความซวยเป็นความโทมนัสเป็นความ หน้าสะพึงกลัวสารพัดอย่างแต่พอมาทำกรรมฐานแล้วเป็นพระไปหมดดีก็เป็นพระไม่ดีก็เป็นพระเป็นปุ๋ยกรรมฐานหมดอย่างนี้นั้นไอ้สิ่งที่เราได้กำไรคือได้ที่ใจผู้เจริญนั่นเองก็คือภาวนาใหม่หรือวิปัสสนาโดยลำดับต่อไปอ่า เรามามองกันในแง่ของข้อเท็จจริงเนี่ยคือเรื่องนี้นะถ้าเราเป็นคนที่สนใจเรื่องปฏิบัติอยู่บ้างเนี่ยมันพูดแล้วมันง่ายมันง่ายฟังแล้วมันชวนสนุกคือถ้าเราอยู่ในโลกที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่เคยปฏิบัติแล้วก็ธรรมะเขาบอกในตัวเราเป็นที่ชุมของลักษณะ เราก็มองมาเห็นเห็นเป็นก้อนเป็นแท่งมาเห็นมีอะไรเป็นมากไปกว่านี้ใช่ไหมฮะมันไม่เห็นมีอะไรเราเกือบจะนึกว่ามันน่าจะไม่มีอะไรพูดมากเกินไปหรือเปล่าอะไรทํานองนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นความคิดเมื่อเรายังไม่ได้ทําหรืออย่างคนไม่ได้ทําแล้วก็เมื่อได้เรียนแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ทำก็นึกว่าเออจะไปเห็นอย่างนั้นได้เยอะหรือเพราะว่าไอเราเรียนเรีแล้วฟังดูไอลองลองดูไม่ไม่เห็น เกษตรตัวนั้นก็ไม่เห็นมันมันไม่รู้อะไรเป็นอะไรเลยมันกลายเป็นไม่มีอะไรถูกไม่ถูกเนี่ยเรานึกเทียบกันดูนะทีนี้เวลาคนเกิดจะไปปฏิบัติเข้าเออไอทีแรกก็เอามุกอันนี้ยมาตั้งเราไปทําใหม่ๆแล้วนี่กําหนดอย่างนี้มันจะไปได้อะไรจะไปเห็นอะไรใช่ไหมเราต้องสงสัยกันทุกคนเลยเหมือนที่เรารุ่นพี่แล้วก็ถูกรุ่นน้องก็ถาม ก็สงสัยมันจะได้อะไรถามกันจริงเอเนี่ยต้นๆ น, นี้พอเราทําไปทําไปทําไปคือเวลาไปถามอาจารย์อาจารย์เองก็ปวดหัวเหมือนกันไม่ได้จะบอกลราไงเพราะว่าทำไปเถอะไอ้เราก็ก็ทำมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่เห็นแล้วเราจะใจร้อนฮะอยากจะเห็นอยากจะยังคุณอย่างนี้ พอไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเริ่มเห็นแต่เรายังไม่รู้ว่าเราเห็นเราจับสาระได้ยกตัวอย่างเช่นเพราะอะไรเพราะเราเอาอาภิชาโทมนักสกับใบใสนี่มันทำให้เรื่องเสียหมดอืมเข้าไปทำลายคุณค่าของสิ่งที่เห็นเช่นเราทำแล้วเราไม่เคยง่วงหนักขนาดนี้ก็มาง่วงหนักขนาดนี้เป็นสภาวะธรรมไหมเป็นไหมแล้วเราคิดว่าเราเห็นมันม้ยถามว่าเราคิดว่าเราเห็นไหมเราประสบความสาเร็จ ในก้าวแรกบางหรือเปล่าเรารู้สึกว่าไม่นะนี่ถ้าอาจารย์เข้ามามาชี้แล้วเราไม่ทำนานแล้วมาย้อนกลับพิจารณาทบทวนเราก็รู้สึกว่าไม่เรารู้สึกว่าเราเสียเสียหายนะเราไม่เคยมาเสียบุคลิกอย่างนี้ให้ใครเห็นเลยเนี่ยเราเป็นถึงผู้อานวยการผู้บริหารงานเราต้องแต่งบุคลิกให้หน่าเชื่อถือให้หน่าเ ก, งการงขามแล้วมานั่งน้ำลายยืดน้ำลายย้อยง่วสะบังง ให้ลูกน้องเขาเห็นให้คนอื่นเขาเห็นเนี่ยมันเสียหมดไม่รู้เจ้าหน้าไว้ไหนแล้วนี่นะก็ก็เกิดความารู้สึกเป็นไงแต่ไอโดยจริงๆแล้วนี่คือลักษณะมันเริ่มแสดงให้เราเห็นทุกๆุกตัวเราเริ่มจะเห็นพิษเห็นภยัยเห็นอันตรายเห็นฤิกของมันด้วยใช่ไหมความง่วงเราไม่เคยเห็นมันเป็นของดี เมื่อเราต้องการจะนอนแล้วไอ้เวลาปกติแล้วมันก็เราสนุกไปกระโลกก็ไม่กังวลนะห่วงมาไหลก็จะก็จะนอนก็นอนได้เหมือนนั้นไปตามความสะดวกของเราแต่ละคนแต่พอเข้ามาถึงตอนนี้มันเริ่มเห็นลิฟต์เห็นอะไรต่ออะไรเห็นความร้ายกาศของมันแล้วมันก็จะสะท้อนไปอธิบายอธิบายการตีค่าถึงความรู้สึกดีไม่ดีเหล่านี้ ไปสู่ชีวิตคนอื่นสู่ชีวิตปกติของเราได้อย่างชนิดที่เราไม่เคยคิดตีค่ามาเลยซึ่งถึงตอนที่เรามีความรู้สึกได้อย่างนี้นะครูบาอาจารย์เขาก็มาได้คอยบอกเราแต่เรารู้สึกตัวเองเราเข้าใจไปเองนี่คือความอย่างรู้ด้วยตัวของเราเองในขั้นง่ายๆแล้วก็พอเราเริ่มปลามกิเลสเริ่มคลาย กิเลสหยาบๆพวกนี้เริ่มคลายกุศลขั้นที่กิเลสหยาบมันปกคลุมไว้มันเริ่มเบ่งบานนะศรัทธาวิริยาสติสมาธิความสงบลึกอะไรพวกนี้นะที่เป็นกุศลทั้งหลายเนี่ยเริ่มเบ่งบานให้เรารู้สึกได้ตีละตัวจึงเราจะค่อยๆเริ่มจับได้นะค่อยๆเริ่มเห็นได้บางถ้าคนใหม่จริงๆเนี่ยอจุดเริ่มเปลี่ยนมาเนี่ยบางทีไม่เห็นนะมันคล้ายๆมันช้าเลือดช้าหนองอยู่ มันอมๆกันอยู่ยังไม่เห็นถ้าอาจารย์เขาบอกลวงหน้าเรื่องมาคอยชี้ให้เราเห็นเวลาสอบอารมณ์หรือบอกเรามาก่อนสามลำดับแล้วเราสำคัญหมายไว้ลึกๆในใจไม่ต้องมาคิดเนี่ยมันก็ชักเริ่มเห็นนะเอ่อยางคนเดินจงกรมง่วงเนี่ยเดินแล้วมันง่วงแทบจะหมะอยากจะล้มทั้งยืนเลยอ่ะใช่ไหมถ้าใครเคยตามแบบนี้โอ้อยังไม่รู้เดินได้ยังไงนะ ถ้าลองได้นั่งแล้วก็ไม่อยากลุกนอนก็ไม่หลับเลยล่ะไม่อยากตื่นเลยแต่เราก็เดินเดินเพราะว่าอยู่ในโรงเรียนนี่แหละครูบัับเดินเราก็เดินเอพอเดินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเริ่มใสมันเริ่มมีความรู้สึกใสเริ่มมีความรู้สึกตรงกันข้ามอย่างที่กิเลสมันเกิดเนี่ยเข้ามาไอ้คิแรกเราก็ก็อาจจะไม่รู้สึกอะไร ไม่รู้สึกเห็นชัดทำไปทำไํำมาไอความรู้สึกอย่างใหม่มันเข้ามาทดแทนความรู้สึกอย่างเก่าไอกิเลสยาว ก, ก็โดนละไปพนอยู่ไม่ได้โดนเผาไปแล้วก็ทําไปกิเลส ช, ชุดใหม่ก็มาอีกนะมันก็เป็นอย่างเงี้ยไม่จบกุศอนชุดใหม่มาเอาชนะชุดกิเลสยาวขั้นนั้นไปกุศอนชุดใหม่ก็มามันก็ ละไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วก็จเจริญไปโดยลำดับโดยลำดับจเจริญกับละละกับเจริญเป็นไปโดยลำดับเป็นไปโดยลำดับอย่างนี้จากการที่เราทำอย่างต่อเนื่องด้วยการกำหนดเห็นต้องเห็นด้วยต้องมีเหตุผลได้ว่าเห็นอะไรแล้วก็ละอะไรจะเจริญอะไรจะอยู่ในความรับรู้ของเราอธิบายได้หรือแม้ว่าเราจะนึกอะไรไม่ออกถ้าใครมาสะกิดนิดหนึ่ง เราจะนึกได้่าอธิบายได้ตั้งจุดนั้นแต่ว่าถึงอย่างไรเนี่ยเราจะค่อยๆเข้าใจด้วยตัวของเราเองแม้ไม่บอกก็ต้องเข้าใจไปตามลำดับตามลาดับชัดมากแล้วก็มีที่ค่อยๆเริ่มซึมเข้ามาสู่ความรับรู้ทางปัญญาก็มีเป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอย่างนี้เสมอไปทุกัขั้นทุกขั้ น, น, ท, นทุกตอนเพราะฉะนั้น กิจของลักษณะคืออำนาจทั้งดีทั้งไม่ดีเนี่ยมันจะแสดงให้เราเห็นว่าการที่เราจับลักษณะนี้อยู่ได้มันมีอำนาจก่อให้เกิดอะไรในทางดีและในทางไม่ดีอ่าคือ ถ้าเป็นนามฝ่ายนิวรนแต่ละตัวแต่ละตัวที่เกิดขึ้นแสดงลักษณะมันก็มีอำนาจครอบงำและเราจะรู้สึกได้อันหนึ่งเลยว่าไอ้คำว่ากิเลสปกปิดปัญญาเนี่ยเราก็ฟังเป็นโวหารเทียบอย่างเมื่อก่อนนะเราก็ไม่ชัดเจนลึกซึ้งจับหัวใจอะไรมากว่ามันเหมือนเมฆบางเหมือนหมอกบงัง แต่พอมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเอานี้ผมว่าอย่างต้นๆนเนี่ยที่เราเริ่มรู้สึกอ่อถ้านิวรเหล่านี้เหล่านี้มันเกิดขึ้นครอบงำมันจะทำให้กุศลธรรมตัวนี้เกิดขึ้นไม่ได้เช่นว่าเราจะไม่ทำด้วยความกระจับกระเฉงสดชื่นและเราก็จะรู้ว่าถ้าเราละนิวรณ์ไอน้นี่ได้ ใจมันจะเป็นอย่างนี้จะเริ่มเห็นฤทธิ์ของยีเลสไอฤทธิ์ก็คือกิจอำนาจหน้าที่อของมันเริ่มเห็นเลยแล้วก็อันนี้ถ้าเรามองเลยไปถึงชั้นสุดท้ายอย่างที่เราได้อยู่ขณะนี้เนี่ยเราเข้าใจจับใจอันหนึ่งเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยครับคืออะไรรู้ไหมครับตัวเนเน ยอดของความเสนีย์สิ่งที่น่ากลัวที่สุดทําลายทุกสิ่งทุกอย่างมากที่สุดคืออะไรกิเลสครับน่ากลัวจริงๆกิเลสนี่ถามมาสา์ซึ่งไหมในที่พูดเนี่ยครับสาบซึ่งไหมความจริงคําพูดเหล่านี้ไม่ใช่คําพูดใหม่พระเทศมานานแล้วพระไตรปิดกแล้อาจจะเคยอ่านมานานแล้ว แต่เราฟังหนักๆข้าวจนจนรู้สึกขี้เกียจจะฟังเลยนะแต่พอปฏิบัติเนี่ยไอ้ความเข้าใจเป็นอีกร้อยเท่าพันเท่านี่มันไปไปหนุนไอ้คำพูดที่เราเซ็งมานานแล้วให้เป็นคำพูดที่อเรเฉดอร่อยซาบซึ้งไม่น่าเซ็งแล้วก็อัศจรรย์ไม่ยอมหยุดเนี่ยที่บางทีเราอาจจะลำคันแม่จัศม่าอัศจรรย์ กูที่นั่นแหละเราแสนจะลำคานนี่ถ้าเรานึกลำคาญแสดงว่าเรานี่ยังแย่มากถึงบังอาจลำพาญทําสิ่งอัศาจรรย์เรื่องพวกนั้นเพราะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระองค์พระพวกหนึ่งเป็นพระนักเทศเทศเก่งนี่เร่าในธรรมบุตรเทศวันนี้เทศเรื่องนี้อีกวันเทศเรื่องอื่นด้วยโอหานวิจิตพิสดาร้วยเนื้อหาหลากหลายแต่เทศแล้วเทวดายง แต่พระอีกองค์หนึ่งอุทานด้วยข้อความซ้ำๆอยู่ในป่าคือเมื่อปฏิบัติแล้วไปเห็นอณิจังทุกขังของนาำรูปก็อธิษฐานอาอุทานด้วยคาถาซ้ำๆพอดิธานจบอธิอุทานจบเทวดาสาธุแซดป่าแซดบริเวณเลยจนกระทั่งพระนักเทศเนี่ยตำหนิเทวดา พอที่พวกเราเทศมาตั้งภรษาด้วยเรื่องหลากหลายเทยวดาไม่เคยอุทานแซดอย่างนี้ทำไมพระองค์นั้นอุทานด้วยคำพูดซ้ำๆเทวดาสาธุสาธุไม่ใช่นามานะสาทุเนี่ยทำไมถึงสาธุเพราะเทวดานั้นเข้าใจความรู้สึกคือไม่ได้อุทานด้วยบทบัญญัติธรรมแต่อุทานด้วยความรู้สึกที่เข้าถึงธรรม พูดน้อยแต่ให้ความรู้สึกมากพูดซ้ําแต่ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าเป็นรถอมตะรถอมตะอร่อยไม่เลิกเทวดาจึงบูทานด้วยอํานาจของการเข้าถึงความรู้สึกเข้าถึงญาณของพระองค์นั้นด้วยอานาจ เทวฤที่มีเจโตบริยญาณก็อาจจะมีเทวดาที่เป็นพระโสดาบันบ้างพระสากท า, าคามีบ้างที่ท่านก็มาตามภาวนาเนี่ยภาวนาเนี่ยถือเป็นแรงดึงดูดเทวดาได้ดีกว่าอย่างอื่นอย่างอื่นคือปริยัติหรือบทความคิดทั่วไป นี่ก็เป็นความอัศจรรย์อย่างหนึง่งและนี่ผมพูดถึงกำหนดเห็นไอ้ไอ้ส่วนไม่ดีส่วนดีเราก็จะเห็นลิ์อีกอย่างที่เราพาลนาวสตินี่เออมันแปลกนะพลังมันแปลกมากเราเห็นออมันเป็นของอบรมได้จริงๆแล้วเราก็เชื่อเลยว่าใครก็ตามถ้าหากว่ามาทำในเงื่อนไขเนี่ย ล้างสมองได้จริงๆถ้าได้ครูบาอาจารย์ที่สามารถจะควบคุมได้อะไรได้นะเอามาล้างสมองได้จริงๆคนเราเนี่ยอบรมได้และทําให้เกิดอรินิหารได้จริงๆด้วยตัวเองเนี่ยเราก็าอัศจรรย์ศรัทธาอาศาัศจรรย์วิทยาอัศจรรย์สติอัศจรรย์สมาธิอัศจรรย์ปัญญาเหล่านี้เห็นลิศในทางดีแล้วก็ ยกตัวอย่างง่ายๆเราอยู่ข้างนอกเนี่ยสติมันไม่คมอินทรีย์ห้าไม่คมไอเราจะไปดูอะไรที่เราเคยเห็นอย่างในขณะที่เราหลีกเล่นทำยังไงยังไงมันก็ไม่เห็นนะไอแต่เวลาที่เราไปอยู่ที่นั่นเราก็ไปทำไม่ได้จ้องจะไปเที่ยวเห็นบังคับให้เห็นแต่พอถึงบทมันเห็นเนี่ยครับยานมันเปิด หน้าตาของนามลูกมาเห็นนัมันเห็นได้ฮะแค่เหลียวๆมันก็เห็นแล้วแค่มาติการนิดเดียวมันมาแล้วมันสอมาเลยอย่าเเหมือนกะอยากจะให้เราเห็นเต็มทีนะฮะมันเหมือนเส น, เน่หาเราเต็มทีมันกลายเป็นของ ง, ง่ายๆอย่างนั้นเงีย ตอนนี้ฝนมันตกผมก็ติดไอ้เครื่องตัดหญ้าเวลาเราไปแช่ไว้เดือนหนึ่งนี่เชื่อไหมเอามาติดตั้งเป็นครึ่งคนันชั่วโมงไม่ยอมติดเริันก็ต้องลกแต่พอเราเอามาเอาหัวเทียนมาทําซื้อ น, นี่ไปซื้อหัวเทียนมาใหม่ทําหัวเทียนสะอาดแล้วก็ติดมันติดพอติดแล้วก็เราก็ไปตะภายตัดหญ้าให้ทางคนเดินนะ ไปตัดตๆดตัดนี่ยพอมันถึงคราวที่เราจะปิดแล้วก็ดับทีนี้พอดับอีกทีเนี่ยครับเราตะภายตะพายอยู่เนี่ยก็ตุกแค่ครึ่งเชือกมันติดแหละมันเกือบทําท่าเหมือนจะติดเองอนะแต่ไม่ถึงขัานนั้นเออพก เ, เครื่องมันร้อนครมันติดง่ายๆมันหน้าทุกไอ้ทีจะใช้เอาไว้นานๆติดเท่าไหร่เทไร่ไม่ติดแต่ถึงคราวมันติดแล้วมันติดทั้นมาเองมันติดง่ายๆ ขนาดดึงมือไม่ถนัดก็ติดอะดูดิก็เนี่ยเราก็เลยนึกเออมันเหมือนกัรทํำวิปัฒนาเลยเพราะไอ้เรามาอยู่ข้างนอกเนี่ยครับมาทิ้งเครื่องไม่ได้ใช้ไม่ได้สตาร์ทมาเลยไอ้พอจะประกำหนดดูก็มันไม่ค่อยเห็นนะครับไอ้ที่เคยเห็นแท้ๆไม่เห็นไอ้ที่เคยอย่างง่วนแท้ๆไม่เคยได้ความรู้สึก แล้วก็ถ้าเราเราอยู่อย่างงี้นานๆหรือเราไม่ได้บัตรเราก็นึกว่าเอ๊ะเรานี่ยวากิเลสหนาะปัญญาหยาบไม่มีทางจะเห็นหรอกใครเขามาคุยแล้วก็คืนชมว่าเขาวาสนามากนะแต่พอเราไปเองพออยู่ในนู้นเรานึกว่าคราวนี้เราออกไปเมื่อไหลเมื่อไหลจีก็ต้องเห็นมันเชื่อเราไ้ยมาอยู่ข้างนอกมันละลายหมดเราก็อัศจรรย์จใจเอ๊ะทำไมาอยู่ในนั้นมันเห็นออกมาข้างนอกแล้วไม่เห็น เพราะว่าไอตอนอยู่ข้างในกับอยู่ข้างนอกเนี่ยมันคนละแบบกันในนี้เราก็เข้าใจนะเราก็เข้าใจแล้วแต่ว่าถึงยังไงเนี่ยมันก็มีสิ่งที่เรายอมรับในทางขอาคิดอันหนึ่งว่าเราได้รู้จักอำนาจของธรรมะปฏิบัติว่าเมื่อคราวที่จิตมันดิ่งเนี่ยกาหนดพัวลงไปกำแทงเป็นชั้นๆไอย่างเงี้ยนะ ลึกลงไปนามรูก<ม>ก็ทั้งมาดูตัวกาหนดเองก็เห็นได้อย่างใจปราถนาที่พระเจ้าตรัสว่าเมื่อจิตตั้งมั่นปัญญาย่อมเกิดได้ง่ายแล้วก็เราก็นึกว่าเออถ้าถ้าเราไม่มีอันนี้เราไม่ไม่คงไม่เห็นนี่มันได้สภาวะธรรมตัวนั้นตัวนี้เข้ามาประกอบหนุนกันอินทรีย์หเราเห็นไอ เขเ ร, เรกว่าไอาเหตุปัจจัยในเธองสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนในในระดับนั้นๆเลยทีเดียวสวการเห็นอย่างนี้มันไม่ใช่วอบหาบมาให้เราเห็นทีเดียวนะมันจะค่อยๆเข้าใจทีละส่วนทีละด้านไปตามความล่าลึกของการอย่างลงของเราในขณะนั้นนี่ผมยกตัวยอย่างในกรณีของหนามคราวนี้ในกรณีของรุม ไอ้รูปที่เราได้เรียนมาในทางพระบิธรรมเนี่ยโหเรามาซึ่งจากการปฏิบัติเนี่ยครับอาิธรรมการวิปัสสนาเนี่เป็นคู่ฝาคู่ตัวกนยังไม่มีใดดีเท่านี้เลยครับรูปที่เขาบูดรูปนั้นรูปนี้ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำล ม, ล ม, ลมแผ่ซ่านไปตามองค์อวัยวะเลี้ยนอะไรก็นึกไม่ออกแล้วก็ตะกลมมีแต่ ให้ลมเบื้องล้มเบื้องล่างลมเลอบางเรื่องพอรูล้ลมไม่ใจพอรู้แต่ให้ลมแผลสั้นนี่ไม่นึกนึกไม่ออกบางทีเราก็ต้องกล้าวา่ากล้าแต่ละภาพบางทีเรานึกนึกว่าท่านแต่งเกินเลยไปนะด้วยอำนาจมันเป็นเรื่องไม่รู้ก็เลยแต่งเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปค้านอาจจะคิดไปอย่างนั้นก็ได้เหมือนอย่างคนที่ไม่คิดจะเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยก็เห็นเป็นเรื่องแนวความคิดไปเท่านั้น เออแต่พอไปทำเขานี่มันเห็นเลยครับมันรู้เลยว่าไอ้ที่เราเดินได้เนี่ยมันมีธาตุลมไม่มีธาตุลมเดินไม่ได้นะแล้วรู้เลยว่าไอ้เวลาที่เราเดินแล้วมันมีอริยาบทละเมียดละไมเพราะขณะนั้นธาตุลมมันละเมี ย, มยดละไมธาตุลมละเมียดละไมเกิดจากอะไรเกิดจากจิตที่ละเมียดละไมมันถึงบังคับเป็นจิตตจะวายโยธาที่ละเมียดละไม แล้วมันเห็นแล้วก็ได้ความเข้าใจในส่วนอื่นขยายว่าคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีตะบากกล้าเนี่ยตะบากกล้าหมายถึงพลังอดทนกล้าสามารถที่จะยืนรับสถานการณ์เย็นร้อนอะไรก็ได้เผชิญกับฤดูอะไรก็ได้อไอ้ภายนอกเนี่ยเพราะตัวเอง ป, ปรับปรับฤดูข้างในไอ้นี่มันยิ่งกว่าเครื่องปรับอากาศดีนะครับ เรารู้เลยว่าอ๋อภูมิต้านทานเนี่ยแรงขยนันความเพียรอย่างบุรุษมันไม่ใช่ของจะไปเที่ยวชี้นิ้วให้ใครทำอย่างนี้ได้อย่างพ ร, ราการหรอกและคนที่ทำได้อย่างว่าความเพียรอย่างบุรุษแม้ว่าเลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปก็ไม่้อถอยกับความเพียรนั้นไม่ล้มเลิกความเพียรนั้น วังแล้วเรอเกินไปแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นนะตอนอ่านในพุทธประวัติคนจะกล้ายอย่างนั้นได้ยังไง น, นนะแต่เรามาอ่านประวัติพระเห็นประวัติพระบางคนรุ่นใหม่นี้เราก็พอเขายังชั่วขึ้นนิดหนึ่งแต่เราไม่ไม่เข้าใจซึ้งอย่างนี้แต่ถ้าไปเห็นอย่างนี้แล้วเข้าใจแล้วโอไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีกลไกลของมันมีกลไกลของมันที่มันทำให้เกิดไอ้ไอ้ไอ้พลังความขยัน โอ้ันเป็นไปได้ยังไงที่คนตั้งกต่ลืมตาขึ้นมายันนอนเนี่ยทํากรรมฐานอย่างต่อเนื่องได้นะขยันอย่างต่อเนื่องได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วก็ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้คือคนบางคนเนี่ย<ม>พระบางองค์โยมบางคนเนี่ยอายุตั้ง 8-90 แล้วเราคนหนุ่มเนี่ยทําสู้ไม่ได้ก็แล้วกันแหละ ผมต้องมีประสบการณ์มาในลักษณะที่ไปอยู่ร่วมกับคนแก่ก็บางคนก็ถ้าพวกที่ยังไม่ถึงขั้นก็นั่งๆเอาเดี๋ยวก็ห้านาทีเหยียดขาแล้วในพูดถึงคนมีอายุบางคนนะอายุพูดเนี่ยก็มีอะไรเนี่ยเวลาก็กบางท่านก็บก็ไม่ก็เก่งนะอันนี้มาอยู่ที่มือเก่ามือใหม่แต่ว่าลายที่พอนั่งสักสองสามนาทีต้องเหยียดขาแล้วเนี่ยก็เห็นพวกเรามา ไปเห็นมาก็เนี่ยบอกเนี่ยไม่รีบทำตอนนี้จะทำเมื่อไหร่ในี่คนรุ่นอย่างแข็งแรงเพราปลาลบนะเกิดทำมาสังเวชขึ้นว่าถ้ารอไปถึงตอนนั้นแล้วต้องไปนั่งนั่งสักสองนาทีสาวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่เก้ากันยายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสามสิบแปดนับเป็นครั้งที่ห้าของการบรรยายความรู้เกี่ยวกับพระพิธรรมในหัวข้อเรื่อง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 อยู่ในระหว่างประเด็นที่ได้ขึ้นหัวประเด็นที่สามนะฮะว่าทิศทางแห่งการกำหนดรู้ขาบเกี่ยวมาถึงประเด็นที่สี่คือบัญญัติธรรมคือสิ่งที่แต่งตั้งที่ได้กล่าวถึงในส่วนนี้ก็พยายามจะพูดให้เห็นว่าทิศทางของการกำหนดอารมณ์ของกรรมฐาน หรือนามรูปที่เป็นมุกเนี่ยเวลาเราพูดว่าทาวิปัสสนานั้นต้องกาหนดนามรูปอันนั้นก็เป็นการพูดอย่างชนิดที่เอาความมุ่งหมายของการกาหนดให้ถึงให้ได้มาเป็นเครื่องพูดกันแต่ว่าในความกระทาจริงๆเนี่ยอันนั้นเป็นอันหนึ่งแล้วก็โดยมุกหรือโดยบัตของ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 พระพุทธเจ้าได้ทรงเทศนาบางครั้งก็ทรงตั้งนามรูปในรูปของการเทศนาโดยความเป็นบัญญตัติคือไม่ได้ตั้งปรมัตดเสมอไปบางบับก็ตั้งปรมัดให้กําหนดเลยอย่างเช่นจิตตานุปัฌนาเป็นต้นเนี่ยได้ทรงตั้งปรมัตดเป็นมุกให้กําหนดแต่เวลาปฏิบัติบางทีก็ไม่ถูกนามถูกรูปคือไม่ถูกจิตจริงๆไปถูกสิ่งที่เป็นสมมุติ อส่วนที่ทรงตั้งเป็นบัญญัติขึ้นก็ไม่ได้ทรงปานาจะให้กําหนดให้เห็นเป็นบัญญตัติแต่ให้กําหนดเจาะเข้าไปถึงลักษณะของนามรูปซึ่งเป็นความมุ่งหมายในทางปฏิบัติก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเวลาทําแล้วก็เกิดลักษณะของการเรียกว่าไปคนละทิศคนละทางคือทิศ ท, ทางที่ถูกบ้างผิดบ้างอในคราวหน้าเนี่ยผมจะลองประมวลเอาเนื้อความที่เป็นพระสูตรจริงๆ เป็นพุทธพจน์มาให้ฟังสักครั้งหนึ่งนะฮะจะพยายามประมวลให้ครบทั่วมากที่สุดและอธิบายอย่างสั้นๆที่สุดเนี่ยว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงแสดงและสอนโดยนัยของการปฏิบัติเนี่ยบางทีมีความหลากหลายมีความมุ่งหมายอยู่ในนั้นที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้ให้แจ่มแจ้งยกตัวอย่างเช่นในบัพของการกําหนดอายตนะเนี่ยก็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 นะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ใหญ่มากในทฤษฎีขั้นพระไรบิดกถ้าเรามีโอกาสประมวลถ้าหากว่าจะชวนให้ท่านนึกไปถึงเรื่องของอธรรมานุปัสสนานะฮ ะ, ะธรรมานุปัสสนาในสติปัฏฐานสูตรบอกผมเชื่อว่าหลายท่านจะได้เคยอ่านเคยผ่านมาแล้วมีอายตนะมีอริยสัจสีเนี่ยในสติปัฏฐานสูตรเกือบจะไม่ได้บอกวิธีปฏิบัติเอาไว้ เลยนะครับในบางเรื่องอย่างเช่นว่าในขันหน้าก็บอกว่าอิติรู ป, ปังภิกษุพึงกาหนดรูว้ว่านี่รูปอิติเวทนาพึงกาหนดรู้ว่านี่คือเวทนาเราก็ไม่รู้รู้อย่างไงทํอย่างไงนะาะฉอ น, นั้นรายละเอียดเนี่ยจะไปอยู่ที่อื่นอยู่ที่อื่นบางที่ก็ไปอยู่ในที่เดียวกันเกือบจะเป็นพระเโดีท์ท้งเล่มซึ่งถ้าหากว่าเราศึกษา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 ใจถึงพอก็สามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ชัดเจนโดยแน่นอนอันนี้ผมจะยกตัวอย่างให้เห็นว่าอการกําหนดจากจะไม่อธิบายเป็นข้อขอดแต่อธิบายแล้วก็ให้ท่านนึกสงเคราะห์ตามข้ออวบเราได้อ่านอะไรกันมาแล้วนะฮะอธิบายมาบ้างแล้วอย่างในการกําหนดอาณาปานาสติกําหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยตัวบับหรือตัวมุคืออาณาปานา